โมตัสพควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสันโมตัสพควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัคนโมตัสพควโตอรหโต สมมาสัมพุทธัสสะ พังสรนังกฉามิธรรมสรนังกฉามิสังขังสรนังกฉามิทุติยมปิพุทธัง สรนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังกัจฉามิ ติยมปิพุทธังสรนังคตฉามิติยมปิธรรมังสรนังคตฉามิติยมปิสังข e ังสรนังคตฉามิ ติดสกขมันังนิติตังเจริญธรรมทุกคนเรามาต่อวันนี้วันที่ยี่ห้าวันศุกร์ที่25ห้ากรกฎาคม2557ห้าเจ็ สิ้นเดือนแล้วอีกไม่กี่วันไวจริงๆเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดียววเด๋ยวเดือนเฮ้ยแก่ไม่ทันจริงๆเดี๋ยววันเดี๋ยววันเอาแกที่ไหนามาทันเอาอาตมาก็ พูดบรรยายมีอะไรที่จะบรรยายมีอะไรจะพูดก็พูดบรรยายไปพวกเราที่ใส่ใจเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็เอาเถิดใส่ใจเขานั่งไกลเงี่ยโสสดับอย่างพูดเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับง่ายๆตื่นๆเพิ่งๆฟังแล้วเบาๆแต่ที่จริงเป็นเรื่องลึกซึง้งลึกลำอ่ ผู้ที่เข้าใจมันตั้งใจจริงจงมันเอาใจใส่มันมีมันมีอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เป็นไปสัจจะมันจะมีความยินดีพอใจมันจะมีความขนขวายมันจะมีความภาคเพียรวิริยะสจิตตะอตมาเคยแปลว่าจิตตะเนี่ยใจมันมีเท่าไหร่มันถมเข้าไปใส่หมดเลยเนี เอาใจใส่เนี่ยมันเบาเบาอจิตตะคือเอาใจใส่โอ้ยเบาอจะมาแปลจิตตะว่ามีใจเท่าไหร่โถมทุ่มกันไปเลยมันหมายความงั้นจริงๆจิตที่มันเห็นจริงว่าโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องค้นขว้าต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียนอ่าอย่าเฉยเนอยอย่าชักช้าน่าจะต้องอ้า สาหาวิริยะบากบันจริงๆอะไรยงนี้เป็นตน้นอาตมาพูดไปเมื่อก็คนหลงตัวเองว่าตัวเองมีสิ่งดีนักหนาะที่จะเอามาให้คนนั้นคนนี้จะทำเป็นแหมของคองตนเองดีนักดีหนาพูดไปแล้วก็ก็เข้าใจก็รู้สึกอยู่ในคนที่หมั่นไส้ก็าฟังแล้วก็บอกอ้วกพูดไปแล้วอ้วกคุยตนคุยตัวมีอะไรดีนักหนาะแต่พูด ได่จะพูดพูดพูดนั่นแหละจริงจริงแล้วนี่นะอัตมาว่าอัตมาได้พาพิสูจนพาปฏิบัติมาอย่างยากอย่างเย็นจริงๆเลยนะยากเย็นแสนเข็นเพราะยุคนี้เนี่ยมันยุคใกล้กรลียุคได้คนจริงมาขนาดนี้เนี่ยนะได้คนจริงมาขนาดนี้เนี่ยสุดยอดละ นสุดยอดละอาตมาว่าไม่รู้นะใครจะว่าไม่สุดยอดก็ทำเถอะได้อย่างขนาดอาตมาก็เอาก็ดูถ้าเผื่อว่าใครทำได้ยอดอาตมาอาตมาก็พยายามใช้อิจณาญาณจริงๆไม่อคตอิถ้าสุดยอดอาตมาอาตมาก็ได้จะไปรวมทัพด้วยหรือส่งเสริมท่านหรือว่าขอเป็นตัว ที่จะหนุนจะทําร่วมอะไรท่านเริ่มเลยท่านนําอะไรท่านโอ้โหจะจะเอาท่านเป็นหลักเลยตรงไหนก็แล้วแต่กลุ่มไหนอ่ะกองไหนอ่ะมนุษย์สังคมสังคมกลุ่มจะกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ไหนอ่ะข้อไปพูดแล้วเหมือนกับอวดดีอวดีท้าไทายออัตมาพูดใจจริงเลยว่า คนมันจะต้องมันมีลักษณะอย่างนี้แหละมันจะสุดยอดนะรานคนเราเนี่เมื่อปฏิบัติทำเสร็จแล้วได้มักได้ผลแล้วมันก็อยู่ที่กรรมกรรมนี่คือกอดกอดภาษาฝรั่งภาษาความหมายของทั่วโลกที่เขาสากกลเขาเขาใจกอดเนี่ยดี พอบอกว่ากรรมไม่รู้เรื่องท่านพุทธทาสก็มาแปลงยอดนี่ว่ากฎนะแปลงว่ากฎยอดเนี่คือกฎวางั้นเลยท่านกล่าแล้วท่านกว่ากฎกฎอะไรกฎของธรรมชาติแล้วอะไรอีกอะกฎอะไรของธรรมชาติท่านสอย่างอัตมาก็ไม่ค่อยได้จําเท่าไหร่อัตมากล่าวว่า อ, อัตมาเหมือนกันว่าอัตมาไม่ใช่ธรรมชาติ อาตมานะมันสีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติและรู้เหตุที่มันทำให้เกิดธรรมชาติแล้วก็ดับเหตุที่มันพาเกิดธรรมชาติที่สุดอยู่กัธรรมชาติอย่างอยู่เนื้อธรรมชาตินี่ของอาตมาของท่านท่านก็ไปจบที่ว่าธรรมชาติทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติต้องอยู่ตามกฎธรรมชาติอย่าไปขัดฝืนกฎธรรมชาติ ก็เป็นธาตอยู่มี่หน้าท่านถึงชื่อพุทธทาตอาตมาไม่เป็นพุทธอาตมาไม่เป็นเป็นธาสพุทธหรอกอาตมาก็เป็นพุทธน่ะไม่เป็นธาสไม่เป็นนายเป็นพุทธอ่าเสมอกันอิสระเสรีภาพไม่เป็นธาตแต่ท่านยังเป็นธาสอยู่ก็จริงๆริงนะท่านยังไม่ธาสธรรมชาติขอไปพูดไปไปข่มกันท่านตัวใหญ่ใหญ่อาตมาตัวเล็กนิดเดียว เมื <C oughs> ö ö ่อผู้ใดเข้าใจกรรมแล้วก็มาอยู่กับกรรมหรืออยู่กับกอดน่ะอยู่กับกรรมอยู่กับกอดอยู่กับการกระทำอยู่กับการงานอยู่กับการงานชีวิตมันก็คือการงานอ่าคนเราก็มีเวลาพักกับพักมันมีเวลาเพียรมันมีเวลาพัก 750. พอเวลาไม่ไม่ควรพักแล้ว เราก็ทำการงานทํากรรมกิริยาหรือการงานเรียกว่ากรรมเรียกว่าการงานก็ได้การกระทำใดๆก็ได้กรรม <c oughs> อัตมาทึงมารวมทิศเดในสร้างคนสร้างสรรค์ข้าสร้างคนเนี่ยนาทีท่านแม้ท่านทราบซึ่งนี่ท่านก็นรู้ใจนะเอาบทนี่ขึ้นเป็นบทที่หนึ่งเลยเป็นดึงแรกของเล่ม อัตมาไม่ได้ไปจัดสรรให้ท่านหรอกท่านจัดสรรของท่านเองโอ้ท่านก็ทำเป๊ะเลยนะก็ถูกนะน่ะที่พูดไ ป, ไปตลอดเวลานี่ก็เพื่อที่จะสร้างคนหรือทำให้คนเป็นเช่นนี้แหละเป็นคนที่ดีแล้วก็ทำงานหรือมีกรรมที่ดีมีความรู้ความสามารถ แล้วก็รู้จักเวลาด้วยจากโอกาสนะจึงจะเกิดทุนที่เหมาะควรนะทุนที่จะเกิดจากกรรมนะเกิดจากกรรมเกิดจากการประพฤติเกิดจากสิ่งที่เราเป็นเรามีอยู่เนี่ยนะจึงจะมีทุนที่เหมาะควรจากนั้นก็เสริมมีทุนเสริมมีสุขภาพ มีความขยันในมีสุขภาพมีกำลังแต่กำลังที่ดีมีความขยันอุตสาหะบากบัน่นสิกามาตกล้าข้ามฝันใช่ไหมที่บอกว่าโอ้โหรือใครสิกามาตดินฟ้าหรือใครสิกามาตที่บอกว่าก็ได้ยินมามากทุนทุนเฮ้ ้เวลาทนั่งทำงานไม่เคยจะไอจะมาพูดไอ <c oughs> ได้ยินมามากว่าทุนทุนทุนทุนนิยมโลกของทุนนิยมใครนะนะใครดาวเย็นเนอดาวเพนเนออ๋อเหร อ, อ, อ, หรอไม่ไม่ใช่สิมารเหรออ๋อดาวเพนเนอะเาว่าไงนะดาวเพนอยู่นี่อยู่ไปไหนนอะว่าไง ที่ว่าทุนทุนไม่เคยได้ยินได้ยินเอออะไรทุนอะไรเออเคยเรียนมาอะไรมาไอ้ทุนแม้ทุนยังไงมีทุนแท้มีทุนแถมมีทุนเสริมอะไรด้วยเออมีทุนทุนแท้ทุนแถมทุนเสริมอะไรเออดาวเพ่นมาใจสิกมาจําปราดไปน่ะก็จริงอ่ะ คุณสภาพที่อัตมาพูดเนี่ยมันเป็นทุนเป็นทุนยิ่งใหญ่ภาษาที่ท่านเรียกกันในสังคมเนีทนเรียกว่าทุนทุนทุนทางสังคมหมายถึงคุณงามความดีก็หมายถึงหมายถึงอะไรต่างๆนั้นนั่นแหละสรุปลงไปก็ที่คุณงามความดีความดีงามเรียกว่าทุนทางสังคม เรียกว่าทุนทางสังคมผู้ที่มีสิ่งเป็นคุณงามความดีคนที่มีดวงตาก็รู้ว่าเนี่ยคนนี้มีมีค่าทางสังคมเป็นทุนทางสังคมไม่ได้หมายเอาเงินทองลาบยศสันเซินวัตถุสมบัติเข้าของอำนาจบาทใหญ่อะไรอยู่ในสังคมไม่ได้หมายเอาแค่นั้นแต่หมายเอา คุณธรรมความดีของท่านผู้นัน้นผนั้นซึ่งใช้ได้ใช้ได้ไม่เอาอย่างนี้ใช้ได้ทีนี้ทำยังไงจะได้และถาวรยั่งยืนแล้วได้อย่างถึงขั้นเหนือสามัญได้ถึงขั้นเหนือสามัญจะทำยังไงนั่นแหะของพระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้เดวโลกุตระ หรือจะเรียกโดยคำจะซ้ากันซอนกันว่าอาริยะเขาเรียกกันว่าอาระยะหรืออริยะอะไรางี้เป็นต้นกว่ากันไปพยัญชนะมันมีเยอะแต่จุดหมายโืยเนื้อแท้สาระแท้แท้ของมันนี่ยมันก็หมายถึงจิตปิญญาณเป็นตัวประธานตามที่พระเจ้าท่านตรัสจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวต้นทุนใหญ่เลยมันทั้งรู้ทั้งทำได้ทั้งเป็นพลัง ทั้งเป็นตัวเลือกเฟนฉลาดซื่อสัตว์ด้วยซื่อสัตว์สุจริตไม่มีเบี้ยวไม่มีเพี้ยนไม่มีหลบหลอกแหล่หลบอะไรต่างๆไม่มีตรงแม่นอย่างนี้เป็นตน้นจิตวิ ญ, ญญาณเป็นตัวสำคัญเป็นสภาพพวกนี้ได้พระเจ้าตรัสรู้เรื่องจิตวิญญาณ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ใดๆในมหาจักรวาล น, นี้ที่จะมารู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์อาตมาว่าอาตมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้อันนี้ตามพระพุทธเจ้าได้เท่าที่อาตมามีความจริงในตัวก็ได้ขนาดนี้และ้ะเอาให้พวกเราเนี่ยมาศึกษาตามความรู้ ตามวิชาการของพระพุทธเจ้าเราก็ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนกันแล้วก็ได้มกักได้ผ้นได้ประโยชน์ได้ความจริงขึ้นมาเรื่อยๆ อ, อย่างที่เป็นก็เกิดเป็นคนที่ดีแล้วก็มาทำงานที่ดีกันแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีจริงกันทาไปโดยไม่ขึ้นต่ออำนาจโลกกระทำ ใครจะมีความบกพร่องมีเสษนิเชจอยู่ใ น, ในใจิตในใจตนเองก็วาไปมากน้อยอะไรก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นลัทธิเป็นพฤติกรรมจริงของสังคมเราแล้วเราก็ไม่ ไม่ได้ไปเอาลาบยศสันเสริญรลกีสุขอะไรพวกนี้เอาโลกธรรมเนี่ยมาเป็นตัวขับดันมันเป็นตัวจูงนามาเป็นตัวล่อไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้พยายามกันจริงๆแมใ้ใครจะมีของใครก็ต้องดูของตัวเองกำจัดของตนของตนของใครของมันกำจัดตัวเหตุที่มันบ้ามันหลง แต่มันมีลาบมันมีในโลกยศมันมีลาบมันมีส้นเสริมมันมีอสุขมันก็มีนะสุขมันก็มีไขความสุขนิดหนึ่งก่อนความสุขที่ว่าเนี่ยหนึ่งฟาเข้ามาเปิดเผยอัตมาว่าแม่เขาเพิ่ง ได้ยินที่อาตมาบอกอาตมาก็จริงๆด้วยกันไม่ค่อยจะมีปฏิพานเอาตัวนี้มาบอกได้ว่าศาสนาพูดไปศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานร่าเริงก็บอกว่าเมื่อเวลาจิตมันถึงขั้นอุเบกขามันเฉยเฉยมันไม่มีอิทธารมไม่มีอนิทธารมไม่มีจิตชอบจิตชังมันก็เลยไม่มีจิตดีใจเสียใจมันก็แค้นทือทื ก็เลยพ ล, พลอยพาซื้อเขาก็ไม่รู้ตัวเขาว่าทำไมเขามั น, ม, นมันแข็งซือ่อมันเป็นยังไงมาได้เ ย, ยนอาตมาบอกว่าใช้ภาษาบาลีเขาถึงค่อยตื่นใช้ภาษาไทยก็พูดอยู่ น, เนะเบิกบานอาเมอาตมาบอกทำใจอาเริงหรืออาศัยจิตอันนี้พอ พูดพยัญชนะตัวนี้เขาก็ได้คิดที่จริงก็พูดหลายทีแล้ ว, ลวมันก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยได้ได้รู้เรื่องรู้ตัวมันก็เลยไม่ได้อะไรกันทักทีแต่พอมาสะดุดมาได้ยินอีกทีนึงก็พูดนานแล้วแต่ว่าเาพิ่งจะสะดุดกันเพิ่งจะรู้ที่เอ๊ยเห็นยิงเหรนะพระจัด ก, การช่วยเขาแล้วเหรออ๋อพรุ่งนี้จะไปเหรอ อ่ะมึงนี่ไปดูนะมันชูที่น้ำเชี่ยวสิมันถึงยากกันตรงนี้น้ำก็อย่างน้อยก็ต้องผูกไว้ก่อนจนกว่ารอน้ำลดน้ำลงหรือน้ำน้ำน้ำ น, ำนิ่งอ่ะโอ้ เอาก็ว่าไประวังระวังหน่อยบางทีนี่มันก็อาจจะระวังความปลอดภัยดีๆเอาเธอหาประสบการณ์ใครอยากไปเรียนรู้ดูก็ระมัดระวังนะบางทีนี่ร่อแหลมบางทีมันเป็นภัยเป็นอะไรอยู่ไปช่วยกันคนมาขอแรงช่วยเรือเขาจมน้ำเรือซื้อมายังไม่่อยเป็นยังไม่เคยรู้เรื่องมจมน้ำฝนฟ้าเอาจอดเอาไว้น้ำมันเต็มฝนตกน้ำเต็มเรือจม จมแล้วดึงจนกระทั่งเหล็กขาดหายรอยนี้ไปเลยจมดิ่งไว้ในใต้พื้นหาไม่เจอพอหาเจอแล้วก็กู้ไป่คืนกูก้ไม่เป็นก็ไม่มีใครกู้ได้เลยลาาเลวมาหาเรากู้ไม่ได้มาหาเราก็เราก็เออเอาเอาก็เราก็หน้าพอจะช่วยได้พอดีเย็นยิ่งก็อยู่พวกเราก็พอได้อย่างเย็นยิ่งนี่เขาเป็นนักดำ นะเป็นนักดำน้ำนักอะไรจะได้มากจริงๆแล้วก็มีความเข้าใจคือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวที่ทำได้ก็พวกเราก็ฝึกๆ ก, กันอยู่รู้รรๆกันอยู่แต่ก็ยังไม่ชำนาญเท่าเยน็นยิ่งเขาพอดีอยู่ก็าามาพอดีโอกาสพอเหมาะก็ช่วยกันนะฮะฮะ ไม่ได้ถามมาตมาไม่ได้ถามมาตมาไม่ค่อยจะไปะคิดว่าใครเป็นใครที่ไหนยังไงไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าไรเอาแต่เรื่องเรื่องเอาทํำกับเรื่องเสร็จจบก็จบไปจบแล้วก็เป็นใครยังไงแค่ไหนแล้วไปอีกเมือ่อไนไม่ค่อยจำ <c oughs> ไม่รู้เป็นก็อยู่ในเมืองไป อ, อะอยู่ในตลาดไหน อ, <eng> อ๋อที่เมือง <Channel> ใช่ไหมตรงข้ามกันก็มาในเมืองพอดีอยู่วดินเนอะอ๋ออ้าวอ้า อ, า, อ, า, อานะก็ อ, อยู่ย่านนั้นนะ่ะขาดสัญญาทั้งนั้นนะขาดสัญญาตรงนั้นหาดสัญญาอาจจะมาวิ่งมาแต่เด็กแล้วขาดสัญญาเนี่ย อ, อยู่วดินไปโรงเรียนก็วิ่งมาข้ามหาดสัญญาแกวเรือจับจับจั บ, จบข้ามตรงนี้ขาดสัญญาต่ก่อนไม่มีสะพานรองแกวเรือข้ามงั้นนะ อาต่อเม re ื่อสามารถที่จะเรียนรู้ตามธรรมบุริเจ้าแล้วพัฒนาจิตให้เป็นจิตอริยะเป็นจิตโลกุตระที่เขาเรียกกันว่าอริยะอริยะอารยะอะไรก็แล้วแต่คือความเจริญเขาต้องการความเจริญเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ว่า จริงๆลึกๆซึ่งๆแล้วอย่างนี้แต่เขาเข้าใจไม่พอบางทีก็มีกิเลสเขาก็เอ้ยอย่างงั้นมันก็ไม่ได้สิเพราะเขาอย่างคิดไม่ออกมันจะทิ้งอันนี้ได้ยังไงมันจะเลิอกอันนี้ได้งไงเพราะเขาเลิกไม่ได้เขาทิ้งไม่ได้เขาปล่อยไม่ได้เขาวางไม่ได้เขายังยึดถือยึดมั่นยึดอะไรเขาอยู่อย่างงี้เป็นต้นอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจหมดว่างไง อ๋ออ๋ออ๋เอ อ, อ, อ, อ, อดีทวงดีอาตมาก็ลืมไปว่าพูดอะไรค้างไว้ก็พูดจะพูดได ป, ปดูเนื้อตกอไอ้เมื่อกีวแวะมาแวะจะอธิบายก็เลยลืมไปซะนี่ไปเรื่องอื่นลืมอย่างงี้แหละอาตมาเดี๋ยวนี้มันดีมันใหม่มันขี้ลืมดีอยู่อย่างเดียวมันไม่ลืมขี้ถ้าไปลืมขี้ตายแน่ๆเลย อ่ามันไม่ไม่ลืมมันขี้มันก็ไม่ลืมมันปวดเมื่อหยเมื่อขี้อ่ามันคี้ลืมจริงๆเดี๋ยวเนี้ <c oughs> อ่าพอหนึ่งฟ้าเขามาถูกมามามามามาบอกว่าเขาได้สะดุดใจว่าเขาได้ยินคําว่าอภิปโมทยังจิตตังเสสะตมาบอกว่านาั่นแหละคนเราต้องเมื่อสามารถทําใจให้ระ ง, งับออ่าปัดซ้ำพยัง ประทัมพยังจิตตังทำใจระ ง, งับทําใจสงบได้แล้วแล้วดีๆทําจิตในอนาปานาสติอะอนาปานาสติ16บหะใครไปอ่านดูเถอะทากายสังขารทําจิตสังขารจนกระ ท, ทั่งมีมีการทําจิตให้สงบได้แล้วก็อภิปมโมที่ยังจิตตังนะอยู่หลังทําจิตให้ร่าเริงทําจิตให้ยินดีให้ร่าเริองอยู่ ก็อาศัยอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะทาอะไรอะไรต่างๆนานาพวกนั้นเราทำไปก่อนแต่จริงๆแล้วทำอันนี้แหละอันท้ายซึ่งเพื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วนเราก็รู้ว่าอะไรยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะเราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้คนที่รู้แล้วว่าไม่ได้เขาก็รู้จริงๆเขาก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะ จิตสังขารปฏิสังเวทีเนี่ยบ่นกายสังขารก่อนกายสังขารแล้วก็ปฏิสังเวทีก็เข้าใจในปิติก่อนปิติสังเวทีทําปิติเสร็จแล้วก็ปฏิสังเวทีทําสุขพอทําสุขแล้วก็ทําให้เกิดจิตนะจิตสังขานี่มันปัดซ้ําพยังจิตสังขารังจิตระงับหรือระงับจิตสังขาร ระงับจิตสังขารฟังดีๆนะครับว่าสังขารคำนี้เนี่ยตอนนี้อาตมากำลังเขียนหนังสืออยู่ถึงคำว่าสังขารสังขารกับกรรมเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องกรรมกับสังขารที่มันหยาบพอกันกรรมมันหยาบกว่าสังขารสังขารมันเป็นเรื่องปรัตญธรรมที่ลึกกว่ากรรมกรรมมันกว้างกว่ากรรมมันกว้างกว่าแต่ที่จริงกรรมมันก็ครอบทุกอย่างอะ นะกรรมันครบทุกกรรมเมือกุศลเนี่ยกุศลมันก็ครบทุกอย่างมันกว้างนะแต่บุญมันจำเพาะชำระ ก, กิเลสเป็นความดีงามชำระ ก, กิเลสแต่กุศลเนี่ยมันครบทุกอย่างทั้งโลกีความดีความงามแบบไหนความดีงามแบบนั้นมันรวมหมดแม้แต่จะเป็นบุญหรือเป็นโลคุตระกำจัดกิเลสด้วยมันก็ ก, ก็ก็เรียกว่ากุศลด้วย เหมือนกันกระกำกรรมรวมหมดแต่สังขารนี่เจาะจงลงไปอีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวเรียนแล้วมันก็ถึงจะรู้กรรมได้เยอะได้มากได้ครบเองนะเรียนมันยากมันเรียนมันเฉพาะตัวตัวมันยากนะมันเมื่อทำจิตให้ได้สงบระงับเป็นจิตตสังขารังที่เป็นปัดส้มพยังจิตตสังขารังสังขารในจิต คือรับสังขารนี่จะจัดการกับมันตกแต่งมันปรุงแต่งมันทําให้มันทํา ใ, ให้มันทำให้มันถ้าอภิปปโมทัยอย่างเลยว่าเป็นการสังขารเป็นการจัดการกับจิตของเราอย่างมีความรู้อย่างอย่างอาริยะด้วย อ, อย่างอย่างคนโลกุตระแต่ถ้าเผื่อว่ามันสังขารเอง หรือให้กิเลนมันเป็นตัวการสังขารโดยเราอวิชชาเราไม่รู้ไอ้ยางงั้นมันก็เป็นการสังขารเหมือนกันสังขารอย่างนั้นมันก็บาบาบบออก็ไปเรื่อยๆนะมันก็ต่างกันเพราะถ้าใช้คําว่าอภิสังขารเนี่ยจึงเป็นสังขารที่มียิ่งยิ่งใหญ่เป็นคำสังขารของคนพุทธปฏิบัติธรรมนะเมื่อสังเมื่อสังขารได้ทําระงับได้แล้วก็ถึง จะไปถึงขั้นทำให้จิตเรียบร้อยได้ดีรู้แจ้งจิตดีแล้วจิตตปฏิสั่งเวทีเข้าใจความเป็นจิตเข้าใจความเป็นปิติเป็นสุขนะรู้จักจิตอย่างสมบูรณ์เลยปฏิสั่งเวทีรู้มาหมดเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้ว่าปิติคืออะไรสุขคืออะไรนะเบิกบานราเริงอยู่ในระดับ อ, อ, อภิปโมโธยังคืออะไร ปโมทยังก็คือความปิติปาโมทนั่นแหละปาโมทแล้วก็ปิติ อ, ภ, อภิปก็คืออภินั่นแหละที่ว่าอาภิสังขารเมื่อกี้มันก็รู้ทั้งความอ๋ความยินดีเนี่ยยินดีจะขนาดในประมาณก็อาศัยทำอาศัยน่ะทำอาศัยเพราะฉนั้นพูดที่จะรู้แล้วก็อาศัยอย่างเราอาศัยร่างกายเราก็ไม่ได้ยึดร่างกายเป็นเราเป็นของเราอา แต่คุณก็ต้องดูแลมันรักษามันไม่ใช่รักไม่ใช่รักเฉลงอะไรมันหรอกแต่อาศัยอย่างพอควรอย่างควรอาศัยได้ดีมีประโยชน์มีคุณค่าก็ทำไปใช้มันไปถ้ามันถึงขั้นถึงควรแล้วควรจบควรเลิกควรตายตั้งกายแล้วก็ทิ้งจิตแล้วก็วางแต่จิตเหมือนกันกายเหมือนกันถ้าเราจะอาศัยมันก็อาศัยไป วางทุงเวลาวานก็วางถ้าเราจะทิง้งจะจากจะพลากเลยก็พลากก็จากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ติดไม่ยึดจริงๆนะมาเรื่องไม่ติดไม่ยึดจริงๆอภิปโมโธยังจิตตังแล้วก็ทําลักษณะพวกนี้แหละให้สมาตะหั่งจิตตังหรือจิตตั้งมันเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาปานสติเนี่ยว้ ถึงเวลาถึงโอกาสก็ค่อยอธิบายกั น, นที่จะพูดให้ฟังก็คือเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออพวกเราศึกษาได้ศึกษาได้ประพฤติได้อะไร ก, ก็ค่อยได้ไปก็ตามบารมีเขาเป็นคนก็ฟังทาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ก็ดูแต่ว่ า, าเอเรานี่ททำไมไม่ได้ถึงก็เป็นไปตามงั้นจนกระทั่งเป็นคนอย่างนั้นนะ่ะมีจริตมี ศาสนาจนกระทั่งโอ้ยใครก็รับยากจะทำงานก็ทำทาทำทำท ำ, ทำจีไม่มีหน้าอินหน้าพรมที่ไหนนะ่ยทำแหลกชนไม่หมดไม่ค่อยจะประมาณประมาณคนนั้นคนนี้เดือนนี้ประมาณเก่งขึ้นค่อยะอะไดแรงขึ้นโอ้โหตอนหลังๆนี่มาอาจะมาเห็นโอ้โหเขาค่อยๆประมาณเขาค่อยๆแม่ยังว่าั่งนี้ เรียกว่าโอ้โหเก่งนำหน้าตูนะเนี่ยประนิประนอมปรองดองขึ้นเก่งเยอะถ้าตูมีฟิมืออย่างนี้ขึ้นดีๆก็ดีแขนาดเขาที่เขาาประนิประนอมในแดนไตรนโอ้โหอันวฟังแลนะ้วว่าหนึ่งฟ้าเป็นไปได้ถึงปานชนี้ อ่าไม่ได้ว่าอะไรนะอาแต่ว่าไม่ได้ว่าเธออะไรหรอก <c oughs> อ่าอยากจะให้เขาใจอยากจะให้ตรวจสอบอะไรแดนไตรเขาก็ยังเด็กเขากาลังยึดเขากําลังอะไรอาตมาก็รู้อยู่แต่ว่าเอาเธอปล่อยให้เขารู้ตัวจริงๆอาธมาก็พอเข้าใจแต่ทีนี้ทางด้านนี้เขาก็สวิตเสดีนดที่เงินทั้งสี่ล้านที่จึงมันทัว ก, กันทั้งมันเยอะนะก็มีคนถามท่านดีไทยมาถามธรรมาเลยว่า ทำไมอาตมาปล่อยไปให้ซื้อเรารู้อยู่ว่ามันแพงอาตมาก็บอกอาตมาไม่รู้หรอกตอนแรกมัรู้แพงมันถูกหรอกเพราะว่าอาตมาไม่ได้ไปติดตามอะไรมาเสนอก็ว่าไปแต่เขาก็มิขมันก็ก็อาตมาพูดไปในส่วนมากก็เอาไปบอกว่านี่ผ่านอาตมาแล้วอาตมาอนุมาติอม่อนุมัติบางผ่านอาตมาแล้วเขาจะไปใช้วิธีนี้กันเยอะแล้วก็ส่วนมากอาตมาก็ต้องมาโคกทีหลังบอกโอ้เอตมาไม่ได้ ทังคันอนุมงน ม, มัตอะไรนั่นก็ไปว่ากันไปอะไรอย่งี้เป็นต้นทุกคนศึกษาทั้งนั้นแหละใครก็ศึกษานะศึกษาแม้มันจะต้องเสียต้องอะไรไปก็เรียนก็รู้ศึกษานะก็รู้อยู่ว่าตอนนี้หักดั้มปลายังไม่ได้ก็ปล่อยเขาเอะไรไปก่อนแล้วเขาก็จะค่อยๆรู้ตอนนี้พวกเราก็ไปไปดูแลไปดูของไปดูอะไรต่างๆที่คุณเชี่ยวเขาผ่า น, านมาตั้ง30มสิบิอายุมันก็ต้อง60สกว่าแล้ว ก็าบอกเขารู้ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาทำมากัมือนานนะเขาก็รู้อะไรอะไรทั้งเขาว่าเกษดายเขาก็มาอยากจะให้ไปถูกต้มมาอยากให้ใจเร็วรวนได้หรืออะไรต่างๆ น, นนะานาทั้งนี้เขาก็มาอา่ะก็ว่าไปอธิบายเข้าใจทั้งคู่ก็ยอมอคือทุกอย่างในสังคมนี่เราก็ต้องยืดหยุน่นต้องต้องลงทุนนันนี้ต้องเสียนี่ก็ต้องเสียไปบ้างเพื่อจะสร้างคนก็สร้างไป อ่ามันก็เคยได้กเคยเป็นบางทีมันก็ต้องอย่างนี้แหละอ่าเสียไปได้ไปตามลาดับแต่ก็รุ่สุร่ยรายบ้างมากก็บรรยาเราก็ต้องระมัดระวังพอสมควรก็ว่าไปถ้ามันพอไหวพอไหวก็เอายังไม่พอไหวเราก็จะพึ่งน่ะ เ, เ, เป็นไป <c oughs> นี่ก็อธิบายให้ฟังเป้าหมายก็เพื่อให้เห็นว่าคนเรานี่ถ้าเผื่อว่ามันไม่เกิดจเจริญจริง มันก็ลาบากอ่ะอยู่ลําบากอย่างหนึ่งฟ้าเนี่ยเขาก็มีบารมีนะยังไงยังไงก็ไม่ไม่ทิ้งไม่ไปไม่หนีถูกโคกถูกทรัพถูกนะ่ะอยู่ที่นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ไม่ได้ต้องออกไปตรีตรีไปเหมือนคนเข้ามาที่นี่ยังไม่เข้ามาเลยเนะ ป, ป็นปีๆเขาไม่ไม่กล้าเข้ามาเข้ามาก็ โดนรังสีของที่นี่เป็นกรมัตะภาพรังสีแรงเด้วยก็ยากจนกระทั่งตอนนี้อ่ะเข้ามาได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็ค่อยเป็นไปนะเราค่อยอัตมาเห็นความเจริญเห็นพัฒนาการของคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาส่วนไอ้ที่ทพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวัสนามันติดกระตัวมาขนาดภาษารีบุตรนะยังโอ้โห ก็ยังมีวาสนาที่ยังไม่เรียบใหม่ร้อยยังโอโหยังหยาบหยาบยังดินดินอ ะ, อะไรต่ต่างๆนานาไปตามภาษาท่านนะวาสนาบารมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่วาสนามันติดเพราะอันนี้เราอย่าเพิ่งไปไปเพ่งไอ้สิ่งที่เราเห็นด้วยตา ตื่นตื่นตาง่ายๆมันยังมีอะไรที่ลึกซึ้งซับซ้อนก็ค่อยดูกันไปศึกษากันไปเราเอาตัวเราเป็นหลักเอาตัวเราเป็นหลักแล้วก็ภาคเพียงปฏิบัติไปตอนนี้อาตมาเห็นว่าแม่ในพวกเราเองก็ดูควบแน่นแก่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นมันจะ มีลักษณะที่อาตมาไม่รู้จะทำยังไงก็ทำเป็นรูปร่างว่ามันจะค่อยๆ อ, อ, อย่างเงี้ยมันออกเข้าเขาออกเข้าออกเข้ า, ออข า, ออขานี่อันนี้ระนาบเดียวนะถ้าเป็นสภาพปฏินิษสังขะสภาพุนรอบเชิงซ้อนแล้วมันก็แก่งไปแก่งมาแก่งไปแก่งมาแต่มันก็ หลอบแล้วหลอ่หลอๆขึ้นไปขึ้นมาอ่าสภาวมวลรอบเชิงซ้อนมันก็จะส่อเมือนก้นหอยขึ้นไปเรื่อยๆแมันยากนะมันยากมันไม่ใช่เรื่องสามัมนสภาวมวลรอบเชิงซ้อนเนี่ยมันยากระนาบเดียวอย่างง่ายๆเมื่อกี้เอาตัวเข้าใจมันก็ซ้ายก็ขวาก็อยู่เงี้ยแต่มันก็มีความเจริญมีความเจริญมีก า, ารคั้นเนื้อคั้นแก่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นด้วย อะไรนี้เป็นต้นนะพราะเราดูบางทีนี่ก็บอกว่าเออสง่งในบางทีดูมันน้อยลงไปแล้วนะแต่เมื่อก็ไม่น้อยหรอกมันมีอะไรข้างนอกเพิ่มอื่นพราะอันนี้มันก็เอาเขางอกเอองอกอีกเขางอกอีกงอ ก, ง อ, กอะไรงี้เป็นต้นนะมันมันมันมันถูกเนี่ยก็ทําให้ดูเป็นเป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นศึกษาเฉย ไม่รู้จะทำยังไงกันนะรั้นผูใดที่รู้ตัวที่สุดอย่างที่สุดแล้วจะไปไหนถามหน่อยจะไปไหนรู้ไหมว่าทุกคนจะไปไหนฮะไปตายแล้วตายได้สนิทหรือยังอ้าวจะไปรีบตายทำไมล่ะันน่ะ เพราะยังก็ยังเป็นๆอยู่สิอย่าพึ่งรีบตายทีนีปเป็นๆป็นนะจะไปเป็นที่ไหนไปเป็นอยู่ที่ไหนเออตรงนี้แหละคำตอบตอบมาบารา <laughs> รดาทีเดียวบ <laughs> รรดาทีเดียวตอนนี้เราเน้นบรรดานะจะไปเป็นอยู่ที่ไหน ถ้าบอกว่ามูดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นเนี่ยเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมมิตรดีก็คือจิตสหายดีคือประโยชน์สังคมสิ่งแวดล้อมดีก็คือทุกอย่างมิตรคือจิตสหายคือประโยชน์ประโยชน์ก็รวมทั้งประโยชน์ที่เป็นนามธรรมประโยชน์ทั้งเป็นรูปธรรม ส่วนสัมปวังโกก็รวมหมดเลยสังคมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างตั้งแต่สังคมสิ่งแวดล้อมในหมู่เล็กหมู่หมู่โตหมู่ที่สัมพันธ์กันเป็นเครือเป็นเครือเป็นเครือข่ายเป็นเครือแห่อาตมาพยายามใช้สับเครือแหเนี่ยให้มันดูต่างไปจากเครือข่ายเครือข่ในมันแค่ แค่รนาบเดียวเกลื อ, ข, ะะ ข, อ ข, ข, ข่ายระนาบเดียวมันตักขายเกลือข่ายขายระนาบเดียวส่วนเกลแหนมันสารกันไปหมดทั้งนอกและในสารกันหมดก็เอาสภาวะมาตั้งพยัญชนะมาตั้งภาษาเรียกให้เข้าใจมาถึงวันนี้กลุ่มหมู่ของพวกเราเนี่ยอาตมาเห็นว่าเป็นแกน เป็นแก่นเป็นอะไรที่แข็งแรงเส่งอาตมาก็มั่นใจนะเชื่อว่าพวกเรามีของจริงมีจิตมีส่วนได้ทั้งเจตโตและปัญญาแม่อาตมาจะตายลงไปวันนี้มันก็ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนอยังไงที่อื่นเนี่ยถ้าหัวหน้าตายหรือว่าอาจารย์ใหญ่ตายอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานหรอกสามต่อไม่ได้ อยู่ไม่นานสารต่อไม่ได้ไปได้พอสมควรแล้วก็ไม่นานเท่าไหรหมดสิน้นซึ่งเราเนี่ยของอโศกเนี่ยคนก็ก็เห็นเขาก็เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นเขายังไม่เชื่อว่าของเราเนี่ยจะยั่งยืนถาวรตลอดการหรือมันไม่ตลอดไม่มีอะไรตลอดการหรอกทุกอย่างในมหาานนัศจรรย์นี้ไม่มีอะไรเลยที่จะเหลืออยู่ นานเท่านานนิรันดรไม่มีนิรันดรไม่มีหรอกาศาสนาพุทธเนี่ยท่านตรัสรู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่นิรันดร น, นานได้นานอย่างรู้ๆแล้วก็สามารถทำให้ได้ได้ด้วยอย่างเอาเปโลกิเตสวนท่านจะอยู่นานอย่างนั้นก็เถอะซึ่งมานานขนาดนั้นคนก็ต้องนับว่านิรันดร เพามันตามไม่ได้ตามไม่ไหวตามแล้วยิ่งไม่ไม่เคยรู้บุทเพลิวาสนานุสติญาณระลึกชาติก็ไม่ได้แล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะมันได้นามันก็ลืมหลังทั้งนั้นแหละมันระลึกได้ไม่หมดหรอกเพราะในทิฏฐิหกสิบสอของพระเจ้านี่ท่านก็ตรัสอธิบายไว้แต่เรื่องของอดีตกอนาคตใครไปยึดอดีตใครไปยึดอนาคตก็ น, นั่นแหละมันก็รู้เท่าที่ตัวเองรู้ได้ในทิฏฐิ62สิบ ก็อเอามาพูดเอามายึดแล้วเอามายืนยันของเขาตัวเองจริงจริงเท่าที่ตัวเองมีความไปถึงไปถึงอดีตได้เท่านี้หรือว่าพยายามจะไปทางอนาคตได้เท่านี้ก็ถึงเท่าใดก็นึกว่าตัวมีความรู้เท่านั้นที่จัดประมวลเอาไว้ความรู้ทั้งหมด62ทิฏฐิเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นอดีตอนาคตที่ตัวเองรู้แล้วคนมันก็ไม่รู้หมดไม่รู้ครบจ้ากระทั่งมรดิบูร พราจะรู้ได้มากขึ้นอะไรใดขึ้นก็ต้องเข้าใจอย่างถึงอะไรเองจริงแม่ตมาก็ยังพยายามอยู่แต่ก็รู้เข้าใจอย่างที่ว่านี่เป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์แต่เรายังไม่ได้ไม่ได้ความครบสมบูรณ์ก็ต้องภาคเพียนไปนะจึงพอที่จะเข้าใจอาตมาเองอาตมาเป็นผู้ที่เกรงจะว่ากลัวไม่กลัวหรอกเกรงว่า คนนะ่ะจะเชื่อง่ายแล้วก็เกรงว่าคนที่ยังไม่ไม่กลัวนะไม่เกรงนะเนี่ยจะไม่เชื่อซะเลยเนี่ยอาตมาไม่กลัวแต่เกรงคนจะเชื่อง่ายเกรงคนจะเชื่อง่ายถ้าคนไหนมาศึกษาดีๆไม่ได้เป็นคนเชื่อง่ายและตั้งใจศึกษาจริงแล้วก็เชื่อดังที่พระเจ้ า, าตรัสไ่้ทำไ ม, นะไมเชื่อ ตามกาลามาสูตรเชื่อโดยไม่ต้องเชื่อใครนะอย่างที่ท่านว่ากันโดยไม่ต้องอาศัยเชื่อใครก็เชื่อเพราะเราได้ปฏิบัติพิสูจน์ยืนย่างของตัวเองโดยไม่เชื่อใครแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกใครไม่ใช่เราไม่ได้ไม่นับถืออะไรไม่ยกให้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะซึ่งมันก็นเป็นสภาพที่ลึกซึ่งย้อนแยงอยูนะ่เพราะงั้นถ้าเผืว่าเราเองเรา ได้พิสูจน์แล้วก็เชื่อแล้วก็สมัครใจสมัครใจเอาเองเป็นเองอิสระเสรีไม่ได้มีใครล่อไม่ได้ใบใครบังคับอไม่ได้เพื่อลาบยศอะไรจริงๆที่นี่ก็ยืนยันยืนยันไม่ได้เพื่อไม่ได้เพื่อโลกกระทำะเพราะฉะนั้นใครจะมาก็มากใครจะอยู่ก็อยู่ทุกวันนี้อาตมามั่นใจว่าพอเราไปรอดรอดอไปรอด เพราะน้าใจและหัวใจจริงใจใจมันมีตัวจริงพวกนี้พอเช่นมันไม่เห็นแก่ตัวหรือมันไม่แคบแล้วมันก็ขยันมันก็ไม่คิดเกียรติแล้วมันก็รู้้วยว่าควรทำอะไรอะไรไม่ควรทำอะไรมีโทษอะไรมีคุณการงานอะไรเป็นอนวชัชการงานอะไรมันไม่ควรทำอะไรควรทำ มันมีปัญญานั้นพอแล้วสำหรับชีวิตมันรู้แล้วมันก็ทำอย่างนั้นได้มันจ้งพิสูจน์มาทุกๆวันนี้พิสูจน์มาในระบบบุญนิยมที่มันไม่ไปที่เดสะสมกอบโกยไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบไม่ขี้โกงโกองไม่กองทุจริตไม่เอา แม่กองไม่กองทุจริตมาก็ไม่เอาเปรียบเลยไม่เอาเปรียบเลยนะนอกจากไม่เอาเปรียบแล้วก็ไม่กอบไม่โกยอะไรนะสุจริตนะกอบโกยเนี่ยกอบโกยนยี่เราสุจริตแต่เราไม่ไม่แหกไขโกยมาโกยมาก็มากอบมากองไว้เป็นของเราสุจริตได้ ใ น, นเอาเปรียบนี่มันเชิงเอาเปรียบนี่มันมีเล่มีเหลเียมมีอะไรตัไรมันยังไม่ดีไม่สื่อสลายซื่อสัตย์เสถียนี่แหละแต่ละกอบโกยเราขี้เหนียวเราไม่ให้ใครของเราจริงๆเราก็ไม่ถึงกอบถึงโกยถึงกอบถึงกองไว้ก็สัพัดกระจายแจกจ่ายเชื่อจานแล้วเราก็สร้างสรรค์ ตนเองแต่ละคนนี่นะพลังงานความรู้ความสามารถที่เป็นสุสจริตกรรมสุจริตกรรมก็ททำงานที่สุจริตเรียบร้อยองานนั้นงานนี้ที่เราทำาเราเลือกเฟ้นมาแล้วต่างคนต่างทำคนนั้นคนนี้ก็ช่วยอันนั้นช่วยนี้ก็แล้วแต่มันรวมแล้วมันมันพอมันเหลือเผื่อพออยู่ในตัวของมันเองโดยสัจธรรมมันมีเผื่อมีเหลือมีเกิ น, กนอยู่ในตัวของมัน เพราะสัจธรรมของเรานั้นมันไม่เฟอ้อมันไม่กินใช้สิ่งที่ไม่ควรมันลดมันละลงมาวันแต่ละคนแต่ละคนนี่มีค่ามากกว่าที่ตัวเองใช้สรอยอาศัยมีค่ามีคุณมีประโยชน์ใครที่ยังไม่มีค่าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ คุ้มก็บที่ตัวเองกินตัวเองใช้ก็รู้ตัวกัแล้วกันเพราะโดยสัจจะมันเป็นหนี้เป็นหนี้โดยสัจธรรมจริงๆอ่ามันเบียดเบีย น, นผู้อื่นอ่าไดเบียดผู้อื่นอยู่มันเป็นหนี้คุณจะทําได้คุณหลบได้เลี่ยงได้คุณจะตีกินได้อะไรยังไงก็แล้วแต่เถอะทําได้คนเรามีเล่มีมเหลี่ยมมีวิธีการก็ทําได้หรือทําได้เขารู้ก็ไม่ถือสาเท่าไหร่ เพราะเขารู้ว่าตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันใครทําของใครทีเขาไม่มีปัญหาใดๆพวกเรารู้ทั้งรู้ในคนนี้โอ้มันเห็นแก่ตัวมันไม่รู้จักอายมันมันไม่รู้จักหยุดโอ้แต่มันก้าวละมันก็ไม่พ็พอสุดอยู่ได้ด้วยกันได้พอไปมันก็ไม่ถึงหยาบคายจนกระทั่งต้องเอาออกจากโมอ่าไม่ผิดทันไม่ผิดเกณฑ์มีผิดกฎที่เราตั้งไว้อะไรกันพอไปก็ด้วยกันได้ก็อยู่กันไปขัดเกลากันไปชะลอกันไป คำจะหนาจะด้านจะทนะยังยืนยันในสิ่งไม่ดีอยู่กับดวงใครของมันกำใครกำมันยิ่งทำตัวเองก็ยิ่งขาดทุนตัวเองก็ยิ่งเป็นหนี้ตัวเอง ก, ก็ต้องไปใช้หนี้บาป ท, ที่เวียนอยู่นั่นแหลเวียนเวีนวนๆช้าๆอยู่งั้น น, ะน่ะซึ่งศึกษาไปแล้วจะเห็นจริงเลยว่ามันมันมันเป็นจริงที่มันเถียงไม่ได้สรุปแล้วสังคมกลุ่ม ที่พวกเราทํามาเนี่ยอาตมาเคยบอกพวกเราว่าพูดตั้งแต่ต้นๆมาแล้วเออไปเทออยู่ทํางานไปศึกษาไปอ่าเราจะรู้าอาตมาเป็นใครอ่ใครยังเคยได้ยินมั้งใครไม่เคยได้ยินถามใครไม่เคยเดียวกว่าใครไม่เคยได้ยินอ๋อไม่เคยได้ยินนะว่าอาตมาเคยพูดว่าเอออยู่ไปเทอเราจะรู้ว่าอาตมาเป็นใคร ramient. ทำไมได้ยินอย่างนี้เนาะ เคยได้ยินก็ดีละอาตมาก็เลยทวนขึ้นมาอแต่ย่งเพิ่งไปตูวอาตมาเป็นใครไม่ต้องเดาเอาให้มันรู้จนกระทั่งมันโอ้โหมันเลี่ยงไม่ออกเลยเนี่ยมันใช่จริงๆเลยจนกระทั่งก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องรู้แล้วเพราะมันรู้จนกระทั่งมันชัดเจนแล้วมันทุกอย่างแล้วเท่านั้นก็เป็นเองะนะ อออทำไมอตาตมาเคยพูดเอออตาตมาพูดว่าอาตมาพ่งรู้อตาตมาเป็นใครอเออเออใช่สิออจำแม่นไว้เอออาตมาไม่รู้ไปเสียเวลาจนสาหปีออกมาถึงมารู้ว่าอ๋อเราเราเป็นใครแลดับ จะทำอะไรเรามีหน้าที่อะไรเราทำไมต้องไปเสียเวลาก็เพิ่งรู้ตัวนะอย่างนี้เป็นต้นนะขณะที่อาตมาบอกพวกคุณว่าอาตมาเป็นใครเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นใครแล้วรู้ได้หมดทันทีไม่หรอกไม่หรอกมันก็ค่อยๆรู้ไปมาอย่าว่าแต่อาตมาเลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะท่านตรัสรู้ในวันส5บห้าคำเดือนหกนั่นท่านก็รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วละ่ะ เมื่อัตมารู้อัตมาเป็นบ <hast> s. <S os, ริษัทนี่แหละแล้วมันต่างกันมากนะเพราะอัตมายังเพึ่งแค่บริษัตทระดับเจ็ดถึงท่านเป็นพระพุทธเจ้าของท่านรู้ท่านรู้พลุดเลยเนื้อแท้เนื้อแก่นอะไรแต่ท่านพลดเลยข้าอัตมาก็รู้เนื้อแท้เนื้อไม่พลดและแก่นก็ไม่มากเนื้อก็ไม่มากค่อยๆรู้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็รู้ต้องเยอะพลดเยอะแล้วท่านก็ค่อยๆรู้ ที่ท่านเองท่านคุยกับเทวดาเสมอๆนั่นแหละเติมมาเติมมาเติมมาเติมมาเติมมาอาตมาก็เหมือ น, นกันกับคุยกับเทวดาอยู่เรื่อยนะบางทีบางคืนนี้คุยจนเมือ่อยมันไม่ได้หลับได้นอนแต่มันก็ไม่เพียไม่เพียไม่เพียไม่เพี้ยอะไรแต่มันก็งั้นแหละยังไม่เก่งอะไรเพราะอตาตมาไม่ไม่เก่งเจตโตสมถะเท่าไรถ้าเก่งเจโตสมถะก weight, ด็ดับได้ไวดับได้ง่ายดับได้ลึก นีอ่อาตมาเป็นก็ได้พอสมควรแต่ว่าได้ตามบารมีเี่ยพูดไปก็พูดไม่รู้จะไปให้เพราะไม่มีเครื่องช่างตวงวัดนะบอกไปยังไงมันก็เข้าใจกันยากเครื่องช่างตวงวัดมันไม่มี <c oughs> ก็ได้ไปตามลำดับนะเพราะงั้นอาตมาเองอาตมายังรู้สึกตัวอยู่บ้างเหมือนกันว่าเออเรานี่ก็คุยตัวเนาะอวดตัวอยู่ไม่เช่นน้อยไปพูดไปพูดไปก็คอ ย, ค อ, ย, ค อ, ยอวดตัวไปเรื่อยๆดีว่าพวกเรามก็ถือสา ถ้าถือสากัของอ้วกแตกกันไปนานแล้วนีม่เคยถือสากันเลยเอา้าจริงๆพวกคุณไม่ถือสากับพระพวกคุณว่าเออมีมีเหตุมีผลมีน้ําหนักมีความจริงที่ยืนยันก็เลยเชื่อเชื่อเชื่อไม่ได้เชื่อใดใดไม่ได้เชื่อเพราะว่าใช้การหวานล้อมใช้การลอ่อลองใช้อะไรแต่ต่างๆนั่นนะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพรา ะ, ะอาตมาถึงเชื่อพวกคุณว่าพวกคุณไม่ได้ มาได้ถูกอาตมาหลอกล่อถูกเพราะอาตมาหวานล้อมถูกเพราะสัญญิงสัญญาเลยมาเพราะไม่มีอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าพวกคุณมาด้วยสุจริตตนเองมาล้วอิสระของตนเองคือมาได้ปัญญาของตนเองคุณจะมีปัญญามากปัญญาน้อยแค่ไหนคุณมาด้วยตนเองนะคุณมา เพราะฉะนั้นอาตมาไม่รับผิดชอบคุณหรอกคุณมาของคุณเองนะคุณจะได้ดีตกยากอะไรช่า ง, งหัวคุณนะแต่อาตมาไม่ได้ไปคนดูดายว่า อ, อมาแล้วอาตมาก็ตเออไม่เอาฐานไม่เอาภาระมาแล้วก็ตีทิ้งอะไรเงี้ยอ่แล้วก็ไล่หนีอะไรจะอย่างสาธเชเจเสี ย, ส ย, สยอะไรอาตมาก็าออาตมาไม่ได้ทำจะดูกันไป ช, ช่วยกันไป ประคับประคองกันไปช่วยกันไปอาตมาว่าอาตมาทำยิ่งกว่าคุณตูนะรองดองป ร, ประนิประนอมนอะไรกันรมัดระวังซึ่งเอาตามพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็พยายามที่สุดนี่ที่อาตมาพูดไปนี่ก็เหมือนละนเลียดแต่ก็ฟังดีๆแต่มันละเอียดแล้วมันก็จริงนะเป็นเรื่องจริงที่ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของมนุษยชาติของสังคมที่มันค่อยๆเกิด็ค่อยๆเป็นขึ้นมากว่าจะได้คนที่ดีกว่าจะได้มีงานที่ดีจะมีความรู้ความสามารถเราก็พอมีความรู้ความสามารถก็ไปเรื่อยต้องพยายามภากเพียรมันจะเกิดความชำนาญจะเกิดความรู้จนบางอย่างบางอันอัตมาก็ถึงเวล า, วลาก็ต้องส่งเรียน เพราะอาตมาไม่ชนักวิชาการอาตมาไม่ใช่ผู้สอนอะไรได้เก่งที่นี่อาตมาก็ไม่ได้สอนวิชาการเรื่องเทคนิคเรื่องงานการเรื่องอะไรอาตมาไม่เคยสอนหรอกไม่ต้องเอาอะไรแม้แต่อาตมาไม่ได้สอนเรื่องศิลปะอาตมาก็ไม่เคยได้สอนอตาตมามีความรู้เดีย ams, มาโดยตรงทั้งโลกนะมีความรู้ศิลปะก็ไม่ได้เคยสอนใครในพวกเราก็ไม่ได้เคยสอนเรื่องงานที่อาตมาทาอาชีพมาทางโทรทัศน์ อาตมาก็ไม่ได้สอนเรื่องโทรทัศน์กับพวกเราเลยพวกเราก็ทําโทรทัศน์กันไปเองช่วยกันไปความหมายความเมื่ออาตมาก็ไม่เคยได้สอนคิดว่าจะสอนเคยสอนอยู่ครั้งหนึ่งนิดเดียวปฐมโศกครั้งเดียวเท่านั้นเองก็สอนไปแล้วกบมันก็ไม่เอาฐานเท่าไหร่ตัวเองเนะไม่ค่อยเอาฐานก็เลยไม่ได้สอนต่ อ, อก็ทํากันได้ถูไปไทยมาอะไรก็พอเป็นพอไป ถ้ามันจะเสียมันจะอะไรก็เอา้าก็บอกไอ้นิดไอห้หน่อยก็แนะนำก็ว่าบาัเล็กๆน้อยๆแล้วทนในชีวิตก็หากินทางโัรทัศธรตลอดโดยเฉกระทั่งออกมาทำงานออกมาทำทางธรรมนะก็ไม่ใช่เป็นคนจ้างสอนทางเทคนิคไอ้ความรู้ระโลง ก, ก, ก, ก, ก็มันเน้นแต่เรื่องธรรมะเป็นหลักแล้วพวกเราก็ต่างคนต่างช่วยกันในเรื่องของเทคนิคก็แม้ก็ขอบคุณนะ อาตมาไม่ต้องไปจำจี่จำใช้ต้องบอกอนนู้นอันี้โน้นนื้นนนนอ้ตุกจิกจุจีจจจ้แต่พวกเราเราก็ช่วยกันเอาภาร ะ, ะใครก็แล้วแก่แม้แต่คารวาสหรือไม่แต่สมณะศิกามาตยอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาภาระแล้วก็รู้สึกอยู่อาตมารู้สึกต้องขอบคุณมากๆเลยตัวว่าแต่ละคนก็รู้สึกว่าอย่ากให้ถึงอาตมาเลยเพราะเราทําเธอเพราะเราทําเธอนี่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งจริง ๆ, ๆขอบคุณนะจริงๆ ถ้าไม่มีพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้มันไม่ก่อไม่เกิดได้ขนาดนี้หรอกมันก่อมันเกิดได้ขนาดนี้ก็เพราะมันสัจจะความจริงพวกนี้ทุกคนสานึกทุกคนรู้รู้จริงว่าเราควรทำอะไรเ อ, เอาอย่างไรยังก็มีน้ำจิตมีน้ำใจเอาภาระต่างๆนานาซึ่งไม่ได้ขึ้นกับอามิร ไม่ได้ขึ้นกระลาบยศสันเซินโรกีสุขอันนี้นะเป็นเครื่องยืนยันตัดสินอยู่ตลอดเวลาแม้พอเราจะเหลือกิเลสอยู่บ้างพวกเราก็าระมัดระวังของตอนเองกันทั้งนั้นใช่ไหมมันจะเป็นยังไงก็ของใครของมันฮิตเด่นไอเจนตาของใครของมันสุกสุกสันสันไปตามเรื่องของตัวเองของแต่ใครของมันแล้วก็มันก็รู้แต่ละคนก็ต้องรู้ตัวเองนั่นแหละ ว่าตัวเองยังเป็นยังมีอะไรที่เหลืออะไรอะไรยังขนาดที่มันอะไรมันลบลบลับลอะไรของเราอยู่เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันลบเนะนี่มันไม่บวกทีเดียวอกแล้วเราก็ตัวจํายอมรับลับลับไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็อย่างนี้แหละนะก็ค่อยๆเป็นไปนะมันก็ก็เปลี่ยนค่อยๆแก้ค่อยๆขัดค่อยๆกล่าค่อยๆตกค่อยๆแต่งนั่นไปได้มันมีแก่นมีแกนแล้วมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆ แม้แต่ในเรื่องของทางองค์ประกอบทางวัตถุภายนอกจนกระทั่งจิตภายในซึ่งพระจิตภายในเราเป็นตัวตั้งแล้วก็ค่อยๆเป็นไปก็ค่อยๆเข้าใจกันคช่วยกันคิดช่วยกันประชุมทำความเข้าใจกันจริงๆแล้วก็พยายามปรึกษาหารือกันจนกระทั่งตัดสิน มีมติกันออกมาเป็นค่อยๆไปซึ่งมันก็ได้กันขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับขนาดนี้มีคนดีมีงานดีมีความรู้ความสามารถเวลาโอกาสก็มันก็เป็นไปตามเวลาตามโอกาสรู้จักกาละมีกาลันยุตารู้เวลารู้วาระนะและก็จนกระทั่งได้สมบัติใดวัตถุได้อะไรเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์มันต้องอาศัยพวกนี้เป็นของหยาบ เป็นวัตถุนะเป็นสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติโลกก็ได้ขึ้นมามีขึ้นมาเป็นไปอาศัยไปเราเอาศัยบัางเราก็ใช้ประโยชน์คุณค่าบัางกระทำไปเรียกว่าทุนก็ตามจนกระทั่งมีทุนแท้ทุนแถมสามข้อแรกทุนแท้สองข้อมาหสี่ห้าทุนแถม มีทรัพย์สินมีอุปกรณ์มีวัตถุปกรณ์อะไรจนกระทั่งคนเห็นแล้วบอกไอ้พวกนี้ใครจะไปเชื่อมันว่า ม, มันจนมันจนอะไรวะหมู่บ้านเขาอยู่มาตั้งหมู่บ้านบ้างหมู่บ้านห้าสิบปีร้อยปีเขาไม่เห็นมีเหมือนมันเลยมันเพิ่งมาอยู่สิบปียังไม่ถึงยี่สิบปีนี่ตอนนี้ยี่สปีอย่างยี่สปีเนาะเราเราเริ่มต้นยี่ยี่ยี่เจ็ด เอเ่มต้นสามเจ็ดยี่สิบเ็ดนั้นปฐมที่นี้เริ่มต้นสามเจ็ดนะสามเจ็ดนี่ยังไม่เป็นโลเป็นภายฉลองอาตมาหกสิบแล้วอาตมาก็บอกเอาเลยขึ้นนะก็มาวัดที่ข้างบนนึงเนี้ยมาวัดมาอะไรใครมันได้ร่วมวัดบ้างทำรงเป็นตัวหลักวิศวะก็มาวัดมาอะไรอะไรกันหน้าแบ่งที่แบ่งทางให้ห น, หนู่นนี่กันไป จนก็ะทังค่อยๆ ย, ย, ยบขึ้นมาจากข้างล่างนะก็ค่อยทำต่อไปนจนมาถึงวันนี้ก็มีทุนมีรอนมีวัตถุมีอะไรใจขึ้นมายี่สิบปีคนข้างนอกเขาก็เห็นไอ้นี่มันจนอะไรของมันวะมันบอกมันจนนี่แหละเป็นเรื่องซับซ้อนเขาไม่รู้นะ ไส้กลวงของเราก็ไม่รู้หรอกไส้กลวงข้างในเราไม่รู้ที่จริงเรามถึงไม่ถึงกับขั้นไส้กลวงหรอกแล้วก็พออยู่พออาศัยแต่ว่าข้างในเรามันไม่ได้มานั่งสะสมไม่ได้มีอะไรมากเราเองเราอย่างที่เรามีเงินเกื้อตั้งตอนนี้ห้าสิบกว่าล้านจะหกสิบล้านแล้วบัตรบาชอ่ ยังไม่เคยมีใครทานะบอกไว้ก่อนนะจะจะทำเป็นเล่นไปนะเดี๋ยวพลาดทางพลาดพลาด พ, าดพังเจุ้งมันตายเลนะนะต้องช่วยๆกันนะพอเป็นพอไปนะทำประมาทไม่ได้หรอกเพราะงั้นก็มีอะไรที่พอถูไถไาอัตมายังนึกอยู่ว่าไม่ใช่นึกเราเห็นอยู่เห็นจริงๆเลยันวันนี้ก็พูดกันไอ้เรื่องขยะเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเป็น กองทรัพย์สมบัติเป็นโรงงานหลักที่อสโศกจะต้องทำมันนี้ได้อย่างดีนะอย่าคุณสมไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็มีสาขาเป็นสองร้อยสามร้อยแห่งไปแล้วต่างประเทศก็ออกไปสาขาเรื่องขยะของเขาเนเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วซึ่งเราทำเราก็ไม่กะจะเป็นมหาเศรษฐีหรอกแต่เรากะเป็น ที่ควรทำเป็นกิจที่ควรทำอตมาบอกไว้เลยนะว่าขยะมันไม่หมดโลกรกมีแต่มันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ที่ว่ามากขึ้นมากขึ้นในขยะมันมีทั้งหนึ่งขยะวัตถุขยะสารพัดขยะวัตถุมันก็ไม่พร่องมากขึ้นขยะพฤติกรรม รู้จักขยะพฤติกรรมไหมพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเนี่ยพฤติกรรมขยะพฤติกรรมที่เป็นทุจริตกรรมเนี่ยพ ฤ, พฤติกรรมขยะมีไหมแล้วมันมากขึ้นอีกด้วยขยะทางจิตวิญญาณรู้จักไหมขยะทางจิตวิญญาณว่าเรารู้ดีกิเลสนี่แหละ กิเลช้าโลกก็ไม่ได้มานั่งทําลายนะมานั่งกําจัดนะแต่พวกเรานี่ได้กําจัดขยะทางจิตวิญญาณมาเรื่อยๆมีวันหมดนะมีวันหมดนะนะทางจิตวิญญาณนี่มีวันหมดขยะแต่ทางด้านพฤติกรรมเนี่ยยากอยู่ส่วนทาง วัตถุนั้นอะ่ะอย่าไปพูดเลยเราช่วยเก็บช่วยกรรมช่วยทำลายช่วยจัดการมันจะต้องมีโรงงานอย่างโอ้โหย่างดียิ่งกว่าโรงงานปุ๋ยโรงงานปุ๋ยนี่ยังยังน้อยนะที่จะทำอะไรได้ไดในสามอย่างเกษตรกรรมธรรมชาติ ปุ๋ยสะอาดขยะวิทยาเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยจะทำรายได้ให้เราน้อยที่สุดปุ๋ยสะอาดจะทำรายได้ให้แก่เรามากกว่าขยะจะทำรายได้ให้ยิ่งกว่าสองอันนี้แต่ตอนนี้ยังเลยแต่สเตียรอลเพิ่มขึ้นแล้ว อย่างวัดสนแก้วของท่านพยอมท่านอยู่ด้วยขยะนะกิจการท่านขยะของท่านคงที่แล้วท่านก็กิจการท่านก็แค่นั้นท่านม่ไม่เหมือนเราขเขาได้ทำขยายผลไปเรื่อยอะไรก็ไปตามลำดับแต่ท่านของท่านอยู่ตัวขนาดนั้นท่านก็อยู่สบายอ้วนมีพีมันตอนนี้ก็ลงพุงขึ้นไปเรื่อย อายุ80เท่าอาตมาก็คงจะพุงพุ้ยนะนาตาดูตาอ้วนขึ้นอ้วนขึนเนี่ย <c oughs> อาตมาพูดไว้ก่อนเพราะนั้นอาตมาว่าตอนนี้ถ้าเราจะเรียนรู้หรือว่าพยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องขยะเพิ่มขึ้นก็จะดีนะสัตย์สุข เขาก็ได้ขึ้นมาระดับหนึ่งปทุมโสเขก็ได้ขึ้นมาระดับหนึ่งปทุมโสก็เป็นไปที่อื่นยังที่อื่นยังไม่ก็จะเป็นโลเป็นภายเท่าไรแม้แต่ราชธานีอโศกรธานีอโศกก็ควรคว ร, ควรจะต้องเริ่มต้นให้จริงจังแล้วก็ลองทําให้มันเป็นโลเป็นภายขึ้นมาอาตมาไม่ชอบบีบบังคับหรอกเราดูเหตุปัจจัยแล้วก็ดูที่คนนะั้นถ้าใครเอาอทําก็บอกไปนี่ก็ รู้สึกว่าจะเด่งรัดอยู่พอสมควรนั่นแหละก็แล้วแต่จะเข้าใจแล้วจะเห็นจริงนะเพราะเราเมื่อเราเองเรามีวัตถุปกรณ์มีสมบัติมีทุนรอนเป็นวัตถุอะไรใจขึ้นไปมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นคนอื่นก็เข้าใจยากเพราะของเรามันเป็นขององค์รวมเป็นสาธารณโภคีคนก็มองไม่เข้าใจเนะขาก็นึกว่าพวกเรามันร่ามันรวย รวยที่มันรวมกันถ้าเรามาแบ่งทรัพย์พวกนี้หารกันนี่จะได้คนกี่เท่าไหรเรือเท่าไรกันนะจริงไหมมาเอามาแบ่งหารกันเท่าสมบัติที่มีเนี่รับรองเรือก็คงจะได้คนละเศหนึ่งส่วนสี่มั้งไอเรือนี่หันครึ่งลำนี่ก็แย่แล้วนะข้าแบ่งสมบัติกันก็สมัยก่อนก็หันหันเรือบอกทำยังไงเนี่ยผัวเมีย อยากกันเสร็จมันมีเรืออยู่ลำเดียวทำยังไงต่างคนต่างกจะเอาให้ได้สุดท้ายต้องตกนงมะก็ผ่านแบ่งครึ่งกันแล้วกันเรือเอาไปคนละครึ่งแล้วก็ไปหาที่ปะเอาเองมีแต่เรือส่วนหัวก็ส่วนหางมันคล้ายกันในเรือเนาะอย่างเรือพายนีย่มันคล้ายกันไปปะเอาเองก็จึงเกิดเรือที่มันมีครึ่งลาปะกันครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย เรือโดยเฉพาะตั้งแต่เรือขุดเรือขุดมันแผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวก็ขุดเป็นเรือเสร็จเสร็จแล้วมาแย่งกันมันไม่มีที่ปะที่ต่อเลยนะเรือขุดเนี่ยสุดท้ายต้องมากลายเป็นเรือปะต้องมาปะมาทันแบ่งกันโตแล้วก็ต้องมาปะคนหนึ่งได้ข้างหนึ่งไปก็ไปปะก็ อ, อีกข้างหนึ่งมันก็ต้องมาปะของเธอเองอไอ้พวกเรือด้วน รู้เลยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างงั้นมันทมบัติมันไม่รู้จะทำยังไงเมื่อต้องแบ่งกันคนละครึ่งหั่นกันคนละครึง่งนี่ถ้าเราแบ่งกันแยกไปนี่นะแบ่งกันจริงเหมือนไม่เท่าไรหรอกเหมือนกันก็เราอยู่รวมกันนี่นะถ้าแต่ละคนเนี่ยแยกกันไปหากินแต่ละคนต่างก็มีทุนมีรอยมีเงิ น, ม, งนมีทอง แล้วคุณจะไปเสียภาษีนี่นะคุณจะเสียภาษีมากกว่าที่เราเสียที่นี่รวมกันแล้วก็เสียเนี่ยจะมากกว่าแต่ซ้อนอีกเราเสียภาษีมากนะเพราะของเรามันเป็นเงินก้อนเดียวเป็นเงินก้อนเดียวแต่ความซ้อนที่เราเองเราไม่ได้ไปตะกละตะกรามาเงินมากอย่างพวกนายทุนเขาเนี่ยเขาลอก เขาเลี่ยงเขาคิดโกงเขาไม่บอกหมดล็อกไม่บอกหมดล็อกของเรานี่ก็ขนาดบอกหมดมันก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังขนาดนี้คือพวกซับซ้อนพวกนี้มันมีซับซ้อนหลายในแต่เราก็เสียภาษีให้รัฐไม่ใช่น้อยเพราะเราไม่โกงไม่โกงเต็มเต็มที่ คนอนอกเขานะ่ะเขาดูโดนเสียมากแท้จริงเขาโกงมากพราไอ้คนโดนไอเรานี่ไม่ควรจะไปเสียภาษีแอดวานซ์จริงๆแล้วในประมาณหนึ่งขอพวกเราเนี่ยพอแจกกันแล้วนี่นะแล้วก็ทําอย่างพวกเรานี่นะพวกเราจะไม่เสียภาษีเลยเพราะพวกเราจะไม่เกินเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีรายได้ของบุคคลจะไม่เสียภาษีเลยเนี่ยเอารายได้ของรวมเนี่ยมา แจกและแบ่งเราสามารถทําได้นะทําบัญชีแบ่งของคุณแล้วไปแจง้งต่อสรรพากรเพราะเราอ้าวพวกเราไม่ถึงขีดต้องเสียภาษีนี่ไม่ต้องเสียเลยภาษีเงินได้ไม่มีพวกเราไม่ต้องเสียหรอกจริงๆทําได้ก็เราใส่ชื่อลงไปแล้วก็ไปแจ้งเขียนบัญชีใส่ไปเฉยเป็นต้นหนังสือไปแจง้งก็ทําได้ใช่ไหมแต่เราไม่โกง เราบอก เ, อเราได้รวมกันแล้วตอนนี้นี่เราเป็นก้องโตเซปเษีแอดมาร์เราก็จำเป็นต้องจ่ายก็จ่ายเสียงล่นี้ยังมีซับซ้อนที่อัตมายังไม่ค่อยเก่งเท่าไรนะนเรื่องพวกนี้ของโลกพวกนี้รู้นิดหน่อยก็มาเล่าสู่ฟังเอาต่อเมื่อเราเองเรามีทุนมีสมบัติวัตถุมีอะไรแต่อะไรอย่างนี้แล้วคนโลกข้างนอกเขาไม่รู้ แต่พวกเราพอรู้แล้วก็ยังมีน ah. ัยยะละเอียดลึกซึ้งที่อาตมาพยายามอธิบายเนี่ยเราอาศัยใช้สอยไปจนตายแ ล, แล้วเราก็มีเงี้ยถ้าแบ่งกันจริงๆมันก็ไม่ทาลายหรอกด้วยแม้แต่จะอยู่อย่างได้อย่างภาษีเงินได้จะต้องเสียต้องให้อะไรอย่างนี้มันมีซับซ้อนอีกเยอะในสังคมนะทีนี้ทุนเสริมที่มีข้อ6กข้อเจ็ดสุขภาพดีกําลังดีและมีความขยนันอุตสาหะบากบันข้อเเนี่ย ก็เป็นสองข้อหลักแต่ละคนชีวิตร่างกายสุขภาพกำลังวังชาก็ต้องดูแลออสุขภาพร่างกายกำลังของตัวเองให้ดีและก็ต้องมีสิ่งที่หนุนเนื่องขยันหมั่นเพียรอุตสาหะบากบันใครยังขาดใครยังตกหล่นก็ต้องเรามาระวังหรือแม่แต่ใครก็ตามพวกเรา สุขภาพกำลังของเรามันไม่ดีก็อย่าไปฝืนเกินไปนักจนสุดจนเสื่อมแต่ก็อันนี้ไม่ไม่ต้องบอกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนเราเองไม่ก็จะฝืนจริงเท่าไหร่ส่วนมากที่มักจะเอาเสาะตัวเองอเราแต่ก็ใจบางคนมันเกินไปก็ต้องดูดูันบ้างนะ มันควรพักควรจะเอาทนามันไม่ค่อยเต็มเต็งมันไม่ค่อยพอทำแล้วก็เบาบางบางมัง่งนะสุขภาพร่างกายกำลังวังชาส่วนความขยันอุตสาหะบากบันนมัตัวใครตัวมันต้องเสริมต้องหนุนเพราะอันนี้มันเป็นของสำนึกสำนึกของบุคคลนะนะมีความ ขยานุสาหาบากบัตรใช่ไหมแล้วเราของพวกเรามันไม่ค่อยจะว่ากันก็ไม่ค่อยว่าติงกันกันลอนนั้นทอนนั้นน อ, ออกจากใครที่เป็นตำรวจบ้านหน่อยก็แรงหน่อยว่าเอามั่งจวกกฮ <c oughs> ะ นะั่นะลาทุนมันมาจากไหนนะมันอยู่ในคนทุนนี่ตัวในคนอนะแรงในคนนะั่นแหละมันก็ทุนมันมันเป็นทุนของคนมันเป็นกําลังมันเป็นกำลั ง, นะ เ, ลงเอาเธออยากแย้งอะไรอะไรบ้างก็พอแย้งได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ เออเอาเขาพูด เ, เขาพูดกับ เ, เขาพูดที่ก็เราจะไปพูดเหมือนเขาไปทั้งหมดทำไมล่ะรวมแล้วก็ประมาณเจข้อนี่เรียกว่าทุนรวมทั้งหมดนะทุนแท้ทุนแถมทุนเสริมนะมีคนที่ดีมีงานที่ดีมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทุนแถมมีเวลามีโอกาสแล้วก็มีวัตถนะุทุนที่เหมาะควรนี่คือวัถตถุต่างๆวัตถุสมบัติต่งตางๆ แล้วก็มีกับตัวเองเลยทีนีน้เป็นเสริมเป็นทุนเสริมสุขภาพกำลังวังชาที่ดีกับการขายันบากบันอุตสาหะบากบั น, นเสร็จแล้วทีนี้เราก็มามีโครงเรื่องโครงสร้างต่อไปเป็นความรู้มีหลักมีระเบียบมีเป้าหมายของชีวิตของสังคมของกรรมการงานที่เราจะต้องอาศัยที่จะต้องรู้จะต้อง อาศัยอ่ะไม่อาศัยไม่ได้ไม่มีหลักไม่เกณฑ์ไ ม, ไม่มีระเบียบอะไรเลยมันมีเป้าหมายอะไรเลยเละอะไระเละแน่เพราะงั้นเราจึงมีข้อ9มีการจัดสรรมีการจัดโครงการจัดสรรแบ่งแจกตะ บ, บุจัดหมวดจัดหมู่อะไรจนกระทั่งมาถึงขั้นแจกงานแบ่งงาน แล้วก็ประสานเนื่องหนุนกันอยู่ให้เป็นองค์รวมนี่ก็เป็นเรื่องความรู้ที่เราจะต้องใช้อยู่ในสังคมกันนะจะต้องเรียนรู้ด้วยรู้ทั้งว่าหลักเกณฑ์ระเบียบเป้าหมายรู้ว่าจะแบ่งกันจัดสรรกันยังไงทําโครงการยังไงแล้วก็มาแบ่งกันยังไงมาประสานเนื่องหนุนประสานสัมพันธ์กันอยู่ยังไงยังไงนะ ก็เป็นหัวข้อหัวข้อในรายะละเอียดอะไรละเอียดมันก็คงมีไปได้นั่นก็เป็นหัวข้อหลักๆสามข้อนี่เป็นความรู้ที่จะต้องใช้ น, นส่วนเรื่องของบทบาทที่ดีของสังคมเป็นสังคมแบบเนี้สังคมของอาริยะที่แท้จริงเนี่ยก็มีอีก คนสิบเอ็ดสิบสงสสี่สห้าหขอ้อมันก็นเป็นเรื่องของการฝึกเรียนประพฤติปฏิบัติเสริมจริงๆว่ามีกระจิตกระใจมีความใส่ใจขนขวายไม่ดูดายนี่ก็เป็นเรื่องว่าคุณธรรมที่แท้จริงเราไม่บังคับกันเราไม่บีบ บีอะไรกันถ้าผู้ที่ดีแล้วสำนึกใครสำนึกมันรู้เองควรทำควรใส่ใจมีกระจิตกระใจมีน้ำใจคนขวายไม่ดูดายอะไรนะเสร็จแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันเกิดความสามัคคีอยู่เสมอนี่เราก็ทำกันอยู่จริงๆ จ, จังๆ พยายามประสานมีการขัดกันแย่งกันบ้างอะไรอะไรก็จงก็ตั้งหลายครั้งหลายคราวมีนี่ก็ยังมีอยู่บ้างหลายจุดอยู่ตอนนี้ก็ทํำทำกันประสานสมานกันไปมีความปรับความเข้าใจกันเกิดความสมาสามัคคีกันไปได้เรื่อยๆมันมีขึ้นมามันไม่จบหรอกมันก็ต้องมีจากจุดนี้บ้างคนที่เคยมีมาแล้วมีอีกก็ได้มันยังไม่หมด เชื้อกิเลสที่มันจะต้องเอาเรื่องกันนะพอมันหมดแล้วมันก็เบาบางไปก็ดีคนนั้นคนนี้ก็มีมาใหม่มั่งมีอะไรอีกกว่ากันไปปรับไปเรื่อยมันก็ขยายแล้วมันก็จัดการให้มันเรียบร้อยไปตามลำดับมีการขัดเกลากันปฏิบัติละกิเลสเสมอขัดเกลวเนี่ยสัมมาวุตจ้าคือสันเลขะแลวเรียกว่าสันเลขาธรรมธรรมะแห่งการขัดเกลว โอ้ทุ่มยบสามเออเนี่ยโอ้อ่ออ่อเร็ว เ, วเวงั้นให้หมดสิบเกข้อซะเลยก่อนอ่อตอนนี้ก็คงยังไม่ขยายความมากตอนนี้นามีการขัดเกลามันก็ได้ขัดเกลานี่คือการละเกยียร์แล้เราขัดเกลาทางกายวาจาแล้วก็ขัดเกลากันนะขัดเกลากันทางกายไว้ขัดเกลาตัวเองขัดเกลาผู้อื่นด้วยศิลปะ ถ้าเกลารผู้อื่นนี่ต้องพยายามต้องเรียนรู้ด้วยศิลปะจริงๆนะขัดเกลากันช่วยกันมีความเห็นดียินดีตัวนี้ก็สําคัญแล้วทําไปแล้วมันเกิดน่ดนเกิดนี่เสร็จแล้วจิตของเรามันจะไม่ขาดความเห็นดีเข้าใจด้วยปัญญายินดีถ้าเห็นดีเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะชัดถ้ายินดีแล้วเนี่ยมันน้ําหนักภาษาคำวา่ายินดีภาษาไทยเนี่ยมันมีน้ําใจมันจิต เออยินดีพอใจไปหาว่าเออ อ, า อ, ออย่างงี้ชอบเรื่องอย่างงี้เออดีมันมีน้ําหนักของจิตที่สูงขึ้นกว่าคาว่าเห็นดีเฉยๆนะเพราะมันต้องเห็นมันต้องรู้จริงๆแล้วมันก็ถึงมียินดีเห็นดีพราะสห้ามีความเห็นจริงทราบซึง้งเชื่อมัน่นมันก็เป็นจริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆเลย แล้วก็มีความทราบซึ่งพอทราบซึ่งก็เชื่อมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันจะชัดขึ้นส่วนข้อสิบหสเจนั้นเรื่องพวกนี้เป็นคุณสมบัติทางธรรมที่รวมไว้เลยเป็นคุณวิเศษของของคนของจิตวิญญาณของคนเรียกว่าคุณวิเศษเลยเป็นสติปฏิพานปัญญา ข้อสนะิน่นคือฌานก่อนหนะ้าฌานสมาธิอุเบกขาฌานสมาธิอุเบกขาก็คือจิตมันได้ฌานคือการเพ่งเผาก็คือเรียนรู้กิเลสแล้วก็เผากิเลสทำลายกิเลสไปได้ได้แล้วก็ค่อยๆตกผลึกเป็น ส, สมาธิตั้งมันตั้งมันจิตตั้งมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ และจุดสำคัญก็มันก็อยู่ที่อุเบกขาเป็นฐานานิพพานเพราะธรรมชานิทั้งชาญสี่คุณสมบัติอันอุเบกขามันก็จะตั้งมั่นเป็นพื้นฐานได้ไปเรื่อยๆจเริ่ไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยสร้างอนินชาพิสังขารจัดการตกแต่งปรับปรุงมันไปเรื่อยๆก็จากความประพฤติปฏิบัตินี่แหละประโยนทาตาปย ผลปริสุทธาประโยชน์าตามมุทุกกรรมัญญาพระพัสดุาองค์ห้าของอมเบกขาก็จเจริญงอกงามไม่ต้องใช้ปุ๋ยงอกงามจเจริญงอกงามพัฒนาทวีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค ว, วบแน่นขึ้นเรื่อยๆด้ว ย, ว ย, วยแล้วก็ยังมีพลังงานที่เร็วที่ไวที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยซ้อนมันเป็นสภาพซอนทั้งแรงงานของ Kinetic energy ทั้งแรงงานของ potential energy หรือแรงงานศักแรงงานจนพลังงานศักพลังงานจ น, นะที่เรียกว่าได้อะไร dynamic static อะไรพวกนี้มันทั้งคู่เลยมันจเจริญขึ้นทั้งสองในอย่างวิเศษเป็นคุณวิเศษ นะสติปฏิพานปัญญานะั้นเป็นความรอบรู้ฉลาดถ้าจะว่ารลแบ่งนสติปฏิพานปัญญาก็คือปัญญาส่วนฌานสมาธิอุเบกขาก็เป็นเจโตนะสุดท้ายมีความเสียสละแท้และมีพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกีภาวะที่มีวัตถุเป็นพลังสิบก้าข้อหลักเนี่ย อตมาจะบรรยายไปเรื่องสร้างสรรค์ค่าสร้างคนไปทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดความเป็นจริงของ19ข้อนี้ในมนุษย์ชาติมนุษย์ชาติก็เป็นมนุษย์มีคุณค่าเป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยกับใครนอกจากเป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกต่อสังคมต่อมนุษยชาติกันไปจริงจริงนะ ส่วนนอกนั้นก็ค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆอธิบายไปเรื่อยอัตมาก็เวียนวนกลับมาอธิบายสิเกข้อนี้ไปเรื่อยเหมือนกันอัตมายังจําพยัญชนะทั้ง19ข้อยังไม่ได้หรอกที่จริงมันน้อยสิบเกข้อนี่มันไม่มากหรอกแต่ที่นี่มันไม่เป็นภาษาสับแบบบาลีบาลีอัตมาจําง่ายถ้าตั้าที่แบ่งหัวข้อแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นสับเท่าไหร่อย่างของพระเจ้าของท่านนี่เป็นหมวดเป็นมู่ดีดีด อะไรอะไรก็ตามหมวดเ ป, ป็ 3, หนหมนะนะูก็จำง่ายนะอย่างโพธิปักที่ทำสามสข้อนู่นเองซีซีซีห้าห้าเจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็จำง่ายหรือหมวดนั้นหมวดนี้มีหมวดที่คู่ 2, คู่ 3, คู่4หมวด4อะไรเงี้ยจำง่ายอย่าง อะไรบารบมีสิบทัศอย่างเงี้ยสี่สี่สองอะไรเงี้ยก็จาง่ายนะหรืออะไรหลายๆอย่างมันเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่ทั้งนั้นเนจ่ะอาตมาพูดไปก็นึกไม่ทันตอนนีนะ้อะไรก็มันก็เชอาเข้าใจแล้วมันเป็นของท่านเรียงระดับดีทุกอย่างไม่สับไม่สนนะสัจธรรมมันจะเป็นอย่างไง เพราะงั้นเมื่อเรามีสภาวะมันก็ไม่ต้องท่องอะไรกันยากมันก็จำได้ง่ายขึ้นน ะ, ะสาหรับวันนี้ทุ่มยี่สิบเก้าเกือบสามสิบอาจะมีอะไรอะไรยังไงก็ว่าไปเพราะพวกนี้ธรมาจะเดินทางแต่ก็เดินทางบ่ายนะไม่ได้เดินทางตอนเช้าทีเดียวบ่ายกี่โมงนะออกจากนี่บ่ายโมงครึ่งนะ อ้าใครมีอะไรตอนนี้ก็ทุ่มครึง่งก็มีเวลาได้ 30- มสหรือสีนาทีใครอยากซักไซส์ไหลเลียงถามถ่ายอะไ ร, ไ, รไว้ก่อนเพราะกว่าจะอาตมาจะมาก็หกเจ็ดวันอ่าตอนนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นแล้วทําอะไรกันแค่ไหนไปไหนแค่ไหนเราไม่รู้อาตมาก็ไม่ได้ออกมาค่ายังบอกว่าออกมาดูน้ํามั่งจะไปแล้วพรุ่งนี้อาตมาก็ไม่ได้ออกมาดู ดูแต่มองจากเรือ ม, มองจากอะไรไปเท่านั้นเอง ไ, ไม่ได้ออกไปดูข้างนอกกว้างอะไรเขามากเท่าไหร่เชื่อใจพวกเราช่วยกันทำอะไรอะไรอยู่แล้วอ้าวใครก่อนเอาเลยยกมือก่อนนะใครใครเอายกมือแล้วก็ยกเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีไมโครโฟนไปถึงมือนงะง่าย<ค>อ่า ไม่ยกมือก็ไม่รู้มันก็โฟมก็ไม่เดินไปเขาก็ไม่ส่งไปเอ๊ไม่น่าจะเข้าใจยากนะไอ้ตรงนี้เนี่ย<ห><ห>มันเป็นวิธีการยกมือไว้แล้วก็ส่งทศสบทศสอรับกาบรัศการพ่อท่านครับอ้าวท่านสำรัญสิการและเจริญธรรมนิสิตและชาวจมทนทมทุกท่านนะครับผมเป็นจันทรนะครับเป็นจันนร์นแสงผา ผมไม่ค่อยถามแล้วไม่ค่อยพูดเหมือนคุณงามง่ายสบายมากนะครับ ก, <า>ก็งามดีมากแล้งามดีมากชื่อใหม่มันเยอะหลายอันแล้วเปลี่ยนไม่รู้ว่าจะสุดท้ายยังไม่รู้เนี่ยโอ้ย oh. อยากจะแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหานะครับสําหรับผมอยู่กลุ่มกลุ่มกสิกรรมนะครับกลุ่มเกษิกรรมจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆครับมีกสิกรรมสวนกสิกรรมสวนนานะครับนาผมอยู่นานะครับ ก็อยู่นาก็ล่าเริ่มเบิกบานนะครับนาเราจะมีนาหลายแห่งมีพิบูรณ์แลวก็ที่เลยนาบ้านบ้านเลยไอ้ไอ้ปัดปาพงไว้นะครับข้าหวางนะครับก็ไปวันนี้ก็ไปโอกาไปลงที่บ้านนาข้อหวางก็ จำไม่ได้น้ำมันลึกครับมันน้ำมากเลยนะครับก็ออกขนกล้าไปที่มอบนฝนมันตัวน้ําท่วมเลยข่าวคลาวน้ําท่วมท่วมก็ไปที่ไปที่นามอบนก็ไปดํานะครับดําก็ฝนตกนะครับฝนตกแรงที่มอบนนะครับอืก็เราก็คุยกันนะครับว่าคุยกันคุยกันว่าเรามักเราเดินมักนะเรามักนาก็เดินมักเดินยังไงเดินมักก็ต้องถอยหลังก็ถอยหลังก็ประทับใจครับประทับใจใชว่าเราต้อง ต้องเอาพละต้องเอาพระละหมู่กลุ่มก็พระละต้องขนขวายหมู่กลุ่มการงานนะครับขอบคุณที่มีน้ําใจคนพูดที่มีน้ำใจแบบนี้ขอบคุณจริงๆโดยเฉพาะนานะครับมันต้องต้องเร่งด่วนนะครับต้องนาหรือที่สวนนาไร่เนี่ยต้องถึงจุดนดูต้องทํานะครับไมงั้นต้องไม่ทันนะครับไม่สำคัญต้องต้องเอานะครับต้องขนไถ่ต้องต้องประสานหมู่กลุ่มนะครับพวกนี้ก็จะไปที่ชิสเกตนะครับนาสี่ิบไร่ของคุณน้อยนะครับเขายกให้เราหมดเลย ก็บอกว่าเขาถอนก้าไป300รยไร่ก็พกนี้ก็จะออกไปประมาณตีสีครึ่งนั่นเอทีมงานบอกต44ี่ครึ่งต้องรอมหมุนอ่าสาสามสา ม, สามอขอไปครับ300มัดนาสี่สิบไร่นะครับพวกนี้ก็จะเดินตีส่ครึ่งรอมหมุนนั่นงป้าดาเพ็ญ น, นะครับก็นี่คือคือคือพลังมวลหมู่ถ้าผมก็พูดกับหมู่กลุ่มว่าถ้าผมทําเดียวผมไม่ทำ ผมไม่ทำามไม่ได้ใคร <laughs> ผมไม่ทำเอาก็คนเดียวไม่ยากาออคนเดียวไม่ยากหรอ <laughs> ก็เลยมีมีหมูหมูกุมที่ดีมิติสหายดีนะครับก็อย่างที่เราพูดที่ว่ามีหมูฝุงที่ดีรีบผีชีพลุ ย, ลย <laughs> พอดีแล้วเราไม่ต้องประสบใสยอะไรนะครับตั้งเข็มไม่เลยเหยียบคันเร่งอย่างเดียว เบรกมั้งนชนอะไรเข้ามังไม่เบรกจะเลยยุ่งแย่คอ่อมันจะชนอะไรใครเบกนี่คือตัวตัวฉันทะครับตัวฉันทะเอาใจใส่ฝักไฟ่ภาษาหมูวิริย ะ, ะจิตตวิมังสาฉ<า>ันทะจิตตวิ ม, ตวมังสาตัวมังสาตัวไม่มังสานี่อย่าไปเอาน้ํามันเอานเนื้อเนื้อเอาเนื้ อ, เ, อเนื้อเอาตอนมอนมันและนั่นแหละผมผมว่างนี้นะครับอจริงจะมาอธิบายตามสัจจะเนื้อแก่นของมันเลยน้อมน้อมกาดขอการ์ดอย่านี้ครับ อ่เอ า, เอาไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปที่ดินที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องมีขึ้นเรื่อยๆแหละไม่ต้องกลัวขอให้ซ้อมมือไปเถอะซ้อมความสามารถไปเรื่อยๆเรื่อยๆอัตมาขอย้ำอีกทีเลยนะว่าเรื่องข้าวเนี่ยเราต้องภาคเพียรเอาใจใส่ถ้าเผื่อว่าอาศัศกชาวโซราเป็นผู้นำแห่งข้าวได้เหมือนกับผู้นำมังสวิรัตขณะนี้เนี่ย มันจะโอ้โหจะไปได้ดีมากเลยนะแม้ว่าข้าวเนี่ยเราจะเอาเป็นเรื่องของรายได้ไม่ได้ไม่เหมือนปุ๋ยนะเอาคอไปเอาปุ๋ยด้วยปุ๋ยก็มันยังก็ยังเป็นเงินบ้างแต่เรื่องของ ม, มือนหมืนขยะขยะนี่ต้องเป็นเงินนะซึ่งจะต่างเงินกับข้าวมากเพราะว่าขยะทำไมต้องเป็นเงินขยะมันเป็นเรื่องที่ทิ้ง แต่ข้าวเนี่ยทิ้งไม่ได้นะทิ้งข้าวไม่ได้นะแต่ข้าวยามมันเป็นเรื่องตึกทิ้งเพราะฉะนั้นมันเ ร, เรื่องเป็นเรื่องต้องเป็นเงินส่วนข้าวในทิ้งไม่ได้และจําเป็นในมนุษย์จริงๆด้วยอัตมาทึงบอกว่าข้าวไม่ใช่สินค้าข้าวเป็นข้าวเป็นอาหารต้องแบ่งปันทั้กินข้าวไม่ใช่สินค้า เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเอาภาระเอมันจะจะไปเอารายได้จะไปเอาเงินกดทองกับเรื่องข้าวไม่ได้วพาตอนนี้เราซ้อมมือกันอยู่นี่ก็บอกว่าเออถ้าพบว่าข้าวของเรามันปีนี้มันจะเหลือมันจะไม่ทันเดี๋ยวข้าวใหม่มาอะไรยังต่างที่ว่าเราซีออกไปแล้วขายถูกที่สุดหรือแจกเลยดีไหมทำตลาดอริยะขึ้นมาอะไรเราก็ เขาค่คิดทำกันจริงจริงเราจะไปเห็นก็เห็นว่าพวกเราเนี่ยเราเป็นเจ้าแห่งข้าวแต่เราไม่เอาเรื่องเอาเปรียบหรือว่าเอาเป็นเรื่องหารายได้จากข้าวมีแต่คนก็จะเข้าใจว่าอ๋อพวกนี้มีข้าวแล้วมันก็เอาข้าวเนี่มาเลี้ยงคนให้เข้าใจเลยให้เห็นจริงเลยไม่ใช่เราแท้งหาหาเสียง สร้างรูปแต่เป็นเรื่องจริงให้ไดน้นี่ก็บอกเอาไว้มันจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่ยังไงก็้องดูค่อยๆเป็นไปเรื่องอื่นๆค่อยว่ากั น, นอา้าวใครมีอะไรอี ก, ออกค่ะขอโอกาสค่ะเนียนใจค่ะอ้าวก็รู้สึกประทับใจในเรื่องคนที่ดีนะคะ ม, มีคนที่ดีเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเราไม่สามารถเอาประโยชน์จาก มิตรดีที่มีความเห็นต่างจากเราได้แต่พอเรามาเข้าใจในสาระของคำว่ามิตร ด, ดีที่ลึกลงไปอีกเนี่ยทำให้เราสามารถเอาประโยชน์จากมิตรดีที่มีความเห็นแตกต่างจากเรามิตรเรื่องจิตค่ะสหายในเรื่องของประโยชน์อายะแปลว่าประโยชน์สหแปลว่าร่วมประโยชน์ร่วมกัน ส, สหายดีค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้บางครั้งเนี่ย คนที่เขามีความคิดเห็นแต่งตกต่างจากเราก็ทำให้เราเค ล, ลื่อนฐานเหมือนกันบางทีมันไม่เจอผัสสะขนาดนี้มันไม่ทำให้เราขยับขยื่อนนะคะจริงจริงค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะส่วนการงานที่ดีเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยการงานที่นี่มันดีทั้งหมดอยู่แล้ว<ำ>เพียงแต่ว่าการงานคือกรรมค่ะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกให้เหมาะสมกับเรายัางไงเท่านั้นเองอนะคะดิฉันอ ม, มองอย่างนั้นนะคะ ที่อีกตัวหนึ่งที่ที่มองเห็นความสําคัญมากๆก็คือมีสุขภาพและกําลังที่ดีนะะี่ค่ะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามาที่นี่เราสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วแล้วมีใจที่อยากจะทําอยู่แล้วแต่ที่นี้ถ้าสุขภาพมันไม่ดีเนี่ยความปีกจิตกระใจใยมันก็จะต้องน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญคนป่วยในยออดซ็อกค่ะ มันเป็นธรรมชาติยังไงไม่รู้คนป่วยอสซค่ะค oh ่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นเห็นความเห็นความสำคัญของการทำา8อนี่แหละค่ะเพราะว่าแต่ก่อนที่ฉันก็ป่วยมานานนะคะกว่าจะทำให้ตัวเองลุกขึ้นมาได้ก็อาศัย8ปอหลายคนถามว่าทำยังไงทำยังไงจะเอาสู่สำเร็จน่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องค่อยคค่อยๆทําทำไปนะคะ พยายามให้ได้แปดอให้มากที่สุดอาจจะได้2ออสาออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆทําไปค่ะที่ฉันหลุดออกมาจากโรคไทรอยด์เป็นพิษได้จาก8ปดอค่ ะ, oh. คะก็เลยความมีกระจิตกระใจมันก็เลยเพิ่มขึ้นเพราะว่าสุขภาพมันดีขึ้นนะคะค่ะก็เลยมองเห็นตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญนะคะต่อมาในเรื่องของอความเห็นดีนะคะเห็นดีนี่คือสมาธิฏฐิเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแต่ความยินดีเนี่ยใครจะสร้างให้ตัวเองได้แค่ไหนคือฉันทะในความยินดีนะคะ มีความรู้สึกประทับใจเทศของพู้ครูครั้งหนึ่งที่เคยเทศให้กับผู้ป่วยที่เมืองกาญเนื้ออะไรนะคะนานมาแล้วดิฉันป่วยมาเกือบยี่สปีนะคะโรคไทรอยได้ฟังเทปยุดนี้นหะคะ่ะก็ทําให้ตัวเองมีกําลังใจที่จะต่อสู้นะคะค่ะเพราะท่านบอกว่าคนป่วยนี้อย่าไปเอาอะไรมากนะคะเวลามันป่วยแล้วเนี่ยคืออะไรที่มันเข้ามานมไไมี่ดีทิ้งให้หมดคิดอะไรไม่ดีดีทิ้งหมดเบิกบานไว้ก่อนเบิกบานไว้ก่อนนี่ฉันเอาตัวนี้ค่ะเป็นเป็นตะบะ uh, uh, uh. ค่ะอค่ะ Kick out, kick out, ค่ะคิกอิดเอาคิกอิดเอาเงี้ยค่ะพระเรื่องไม่ดีมาคิกอิดเอาไปก่อนค่ะยังไม่เอาค่ะอะไรเงี้ยค่ะเบิกบานไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออได้ไประโยชน์จากตรงนี้ค่ะนะค ะ, นะคะและสิ่งที่จะตามมาก็คือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันรู้สึกประทับใจนะคะเมื่อเมื่อวานนี้นะคะ่ะก็ทําน้าข้าว ง, งอกนะครับมาส่งที่ศาราเสร็จทีนี้มันก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะเขต้มรอไว้ว่าเดี๋ยวเออเผื่อเอาไปเสริมที่ถงโต๊ะผู้ใหญ่นะคะ ยังไม่ทันได้เอามาอีกรอบหนึ่งนะคะพอดีทีมของอาจารย์นะคะผ่านมาก็กวักกันเรียกเอาอาจารย์จะหยุดก่อนหยุดก่อนพมทานมาชวนที่คนที่เขาไปทํางานกลับมาเหนื่อยนะคะเขาก็ได้กินน้ำพองอกอาจารย์บอกโอ้บานลาดนี่น่าอยู่ขึ้นแล่น่าอยู่ขึ้นแล้วอาจารย์พูดคำนี้รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะประทับใจมากเลยน่าอยู่นะเขาน่าอยู่ตั้งเยอะตั้งได้อย่าง คืออาจารย์มีความรู้สึกว่าโอ้ยหมกไปตรงไหนก็มีแต่พี่น้องเบิกบ้านคอยต้อนรับกันนะคะอาจารย์คงจะหมายอย่างนั้นนะคะทิ่ฉันก็เลยมาเล่าเล่าให้กับเพื่อน ๆ, ๆฟังบอกเออนอาจารย์มองบอกเออบาลลาดหน้าอยู่หน้าอยู่ขึ้นหน้าอยู่นนยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคงจะฝากไว้แค่นี้ค่ะเอกีภาวะเกิดค่ะอ้าวอ้าวใครอีกยกมือแล้วได้ได้ไมโครโฟนก่อนจะพูดยกมือก่อนจะได้รู้อยู่ที่ไหนขอาการ์ดค่ะหนึ่งดาวนาวามริยมนะคะ มีคำที่ประทับใจมากเพราะท่านบอกว่าอาตมาเกรงว่าคนจะเชื่อง่ายคำนี้มันมันทั้งลึกทั้งกว้างค่ะรู้สึกว่าถ้าเชื่อง่ายเนี่ยมันจะไม่ใช่ของจริงอะค่ะอ๋อนี้ดีนะเข้าใจนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะมันไม่ใช่ psychology นะที่อาตมาพูดไปนะั่นะว่ากลัวคนจะเชื่อง่ายมันไม่ใช่ แม้แกล้งทำเป็นแภาษาอะไร่ะซายคลโรจีก็จะหมายความว่าอะไรเชิงเป็นเป็นเชิงคารมหวานล้อมด้วยคารมปัจญาหลอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องจริงใจจริงใจของอาตมาว่าอาตมารู้สึกอย่างไงจริงว่ากลัวคนจะเชื่องง่ายนะเขาไม่ได้พิสูจน์เพราะจะเห็นได้อาตมาตั้งหลักเกณฑ์ต่างๆนานา แม่แต่บอกว่าโอตโ้ต้องมาที่นี่เจ็ดครั้งก่อนจงจะได้ทำบุญได้อะไรไม่ใช่เรื่องเ s ค c ล o l o g y ไม่ใช่เรื่องทำทีทำอะไรไว้ไม่ใช่จะต้องให้คุณพิสูจนะ์น่เกรงใจจะ่าไปรีบๆด่วนๆอะไรเนี่ยอไเป็นตน้นก็เห็นว่ายังคิดถึงตัวเองนะคะว่าถ้าจะเป็นของจริงจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาพิสูจน์นะคะใช่ซึ่งแม้แต่ดีฉันคิดว่าปฏิบัติธรรมมา รุ่มๆเดินดอนเนี่ยยี่สิปีนี่ก็ยังยังไม่จริงอะค่ะก็ต้องพิสูจน์ต่อไปอีกค่ะแค่นี้ค่ะอา้าวให้มันจริงอา้าวใครอีกอา้าวแล้วอะไรพึ่งยกมือยกไว้ก่อนบอกแล้วว่ายกใครจะพูดนะยกไว้ก่อนแล้วก็เอามโนกโฟนเดินทางมันเสียเวลาที่ไม่ก็โฟนเดินทางทุกทีเลยเอ้แค่นี้ทําไมพวกเราไม่ค่อยเข้าใจ มันคิดก่อนสิว่าเราจะพูดอพ evet. ูดยกเลยยกจนกว่าไมโครโฟนจะมาถึงมือถึงมือแล้วก็ถือไมโครโฟนต่อไว้พอเวลาถึงคิวเราเราก็ยกมือก่อนว่าเราจะพูดแล้วก็พูดอจัดระเบียบแค่นี้เลยังไม่ค่อยจะลงได้เลยเนาะกาบขอพระคุณค่ะยังไม่เป็นระเบียบค่ะก็ปฏิบัติธรรมมันก็เหนื่อยนะครับปฏิบัติธรรมนาน อย่างลาบอย่างยศก็เหนื่อยอ่าไปเทได้ว่าบุญวายเรื่องจีบกันก็เหนื่อยเหนื่อยนั้นน่ะก็ก็จะบองตัวเองว่าเอาก็สมัยก่อนน่ะก็เหนื่อยเหมือนกันน่ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้ได้ค้นพบได้ค้นพบว่าตอนหายเหนื่อยเนี่ยในในในก่อนที่จะมีป้ายเฮือนโซเล่นี่ค่ะถ้าเป็น ถ้าเป็นศัพท์ทางการก็จะเรียกสนทนากลุ่มเลขแลก เ, เปลี่ยนอะไรธรรมะธรรมโมก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาก็เรียกโซลีค่ะก็ได้ประทับใจกลุ่มค่ะดิฉันกลุ่มแปดค่ะกลุ่มแปดก็หลากหลายค่ะสมาชิกส่วนใหญ่ก็ชาวจากปทมโศก ค, ค่ะก็ ตอนนี้อยู่ในบัญชีก็12บคนค่ะเมื่อคืนก็ได้สรุปกลุ่มที่ว่าเนี่ยค่ะมิตมิดดีพอได้โซเล่แลกเปลี่ยนบ้างเนี่ยตอนที่เราว่าวันนี้เนี่ยหลังจากคุยเรื่องความรักสิบมิติแล้วใครมีอะไรก็จะบอกว่าวันนี้เหนื่อยไม่มีอะไรก็ไปใครกไปหลับไปนอนเนี่ยค่ะ แต่พอหันหน้าเข้าหากันก็แลกเปลี่ยนอันนี้อันนั้นอันนี้ความเหนื่อยความง่วงมันก็หายไป ค, คือพอเราพอเราไม่ยินดีพอเรามันจะหนีจากหมู่ไปนี่แต่พอได้ฟังคนนั้นพูดอันนั้นคนนี้อันนี้เอาความยินดีมันก็มากับมีไฟได้แลกเปลี่ยนได้มีกําลังใจขึ้นมาว่าถ้าถ้าปฏิบัติธรรมไม่ไม่มีหมู่ ไม่มีขบวนการกลุ่มเนี่ยมันไปไม่ถูกทางจริงๆเลยนะคะไปเข้าถ้ำเข้ารูอยู่ในภพตัวเองแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองวิบากเข้าสรรพัดก็ว่าไปผัด ส, สะเยอะอะไรก็ไปาทางนู้นนะคะ <c oughs> ก็ก็คงกราบขอพระคุณการเกิดบอ่อนอบอที่ที่ทำให้ วอทบอลเอ่เ่องศาสตร์นิสนสัมาดิีน่ะวอบอลค่ะการเกิดวอนอบอลนี่แบบ <c oughs> ทำให้ตอนที่เหนื่อยๆตอนนี้ก็ก็ยังหาทางออกจากเหนื่อยกว่านี้อยู่นะคะวันนี้ก็มีมิตรดีสหายดีท่านหนึ่งท่านท่านก็บอกว่าเพราะฝั่งระวังจะอายุสั้นเรานะ่ะ อยู่วันลาดมาตั้งแต่ไหนมาก็ยังเป็นแบบลุยอยู่อย่างนี้ก็เลยบอกว่าก็ยังหาวิธีอื่นไม่ได้ก็ยังติดนิสัยลุยอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังเห็นประโยชน์การลุยเหนื่อยมันก็ก็ก็เคยคายเรารู้พักรู้เพียนมันอยู่ที่ตัวเราเองก็เคยคลายที่พ่อครูว่าจริงๆแล้วเรานี่ะมัน ไอ้หลอดหลอดมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกคะ่ะไอ้ห่วงหวงตัวเองนี่แหละมันจะไปทางนู้นอีกอะไรก็ ถ, ถ้าถ้าจะตรงก็น่าจะตรงประเด็นตรงนี้นะคะก็ก็ก็ทราบซึ้งและประทับใจในในความเป็นมิตรดีสหายดีบางทีเราก็ยังไม่อยากตัดกิเลสยังห่วงกิเลสแต่พอเข้ามูนี้ไม่ตัดก็ต้องตัด ป, ประมาณเนี้ยคะ่ะก็กราบขอพระคุณคะ่ะอา่าดี<ะ>อา้าวต่อไปใครดาวเย็นค่ะ ราม น, น้ำมศการพ่อครูค่ะน้ำมการท่านสํนานักและสิทมาทุกคนต่อไ ป, กไปยกมือนะเราเป็นมือฝนจะเรียนทำค่ะ<ข><า>พี่น้องชาวชุมชนและนิสิตทุกท่านนะคะเห็เนลุงเป็นแกนพูดถึงเรื่องนานะคะดิฉันก็มีงานดีเหมือนกันนะคะคืองานกสิกรรมซึ่งก็ชัดเจนนะคะพวกเราก็คงชัดเจนว่าอย่าไปหวังหางเงินกับงานกสิกรรมนะมีแต่ชายของเขาะะตอนนี้พูดถึงพูดถึงภาวะของการลงทุนหรือว่าการในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ฮะ ฉะนั้นแล้วก็งานทางปุ๋ยแล้วก็งานทางขายะก็คงจะเกิดเป็นการสร้างเงินนะฮะแต่ทางกสิกรรมนี่ที่ฉันเห็นว่าถ้าผลผลิตองค์ประกอบของเราสมบูรณ์เนี่ยมันจะทําบุญนิยมได้ชัดเจนได้ชัดเจนมากๆนะฮะอย่างเช่นคือคื อ, ค, อคือเรื่องกินอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่ฉันว่าเหมือนกับสมัยก่อ น, นะฮะสมัยก่อนนี่เขามีน้ําใจมีความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เพราะว่ามันเหลือกินเหลือใช้นะฮะไปทางไหนก็ยังมีสํานวน ว, ว่ามุนปานเตเฮ็ดนะ่ย ที่ทานก็คงคิดคิดว่าคงจะเข้าป่าหรือแค่ข้างทางเดินไปคนโบราณก็คงคงเลือกินเลือ้อยวน่ะก็เล่มูลปานเตหเห็ดเนาะเตะเล่นก็ได้อย่างนี้นะมันมันเลือกินนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเล่มูนปานเตหเห็ดเดิน <c oughs> ไปกับเห็ดเต็มเทาาเลยนะเตะทิ้งไปที่จริงเลือกินอย่างคือคือจะเอาไปแจกใครก็ได้นะก็ไม่มีใครเอาเพราะว่ามันเกิดเยอะอย่างที่ท่านประทับใจว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กนะคะท <c oughs> ีะ่ท่นเป็นเด็กนี่ย่าที่ท่านมี มีมีไร่มีไร่ไร่สามสกว่าไร่นะคะเป็นเป็นภูดินแดงเลยนะคะที่ทางน้ํายืนค ะ, ะแค่เอาเอาข้าเอาข้าวไปแรกเอาหนไ้ไร่เนี้ยที่ฉันอยู่ปสามเนี้ยย่าปิดเทอมนี่ไปเยี่ยมย่าย่านี่จะมีมะละกออยู่เต็มโพลค่ะโพลสมัยก่อนก็คงจะยังไม่มีรถไถ ท, ที่ทำลายจอมปูงจอมพลลงเขาปลูกมะละกออะไรไว้เต็มนะล้านไปนี่มะละกอมสุกเต็มต้นนี่ก็เอามาผ่าเลยนะคะ พาเลยให้เลือกกินเลยนะไอ้ลูกๆนี่พาเจอกินไอ้ที่มันอร่อยๆก็โยนเข้าโคนคืนยเงี้ยมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ ไ, ไม่ได้ถือว่ากินทิ้งกินคว่างนะอย่างเงี้ยเพราะว่าบาองเอื่นเข้าก็มีกินนะะไม่ต้อจะไปแจกใครนะคว้างเข้าให้หมดให้แมงกินเหมือนเดิมเพราะว่ามันเยอะแยนะคะที่ฉันเห็นว่างานเกษิกรรมนี่ของเราเนี่ถ้ามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยอย่างมะละกอต้นหนึ่งก็มีเป็นร้อยลูกร้อ ย, อ ย, อ ย, อยกว่าลูกเงี้ยเสียว เ, เขาขั้วกระเหล้วไปอุทยานกระเหล้ว กินสุกก็แล้วกินดิบก็แล้วแจกก็ได้อย่างนี้นะมันมันจะมันจะถึงรอบของมัน่ะถ้างานถ้างานกสิกรรมอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่เหลือกินน่ะบุญนิยมที่เป็นแจกเป็นแถมเป็นไห้ซื้อคล้ายถือก็ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ในหมู่ของการผลิตที่เป็นเป็นตัวนี้นะก็เลยมีไฟยั่งอยู่ในจุดนี้อยู่แม้ว่าใจก็อยากจะไปดำนาช่วยอยู่เด้อลุงเป็นเขล็ดเด้ออ้าวเออคอแถมอะ เราถ้าเผือว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่เก่งในชาวไร่ชาวนาชาวสวนจริงๆเรามีผลผลิตพวกนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆเราไม่หาเงินกับสิ่งเหล่านี้หรอกเรามีแล้วเราเอาไปแจกนี่แหละบุญนิยมขั้นที่สี่แจกนี่แหละเราแจกสิ่งนี้เราได้ยิ่งกว่าเราได้ขายของได้เงินสูง เราขายขยะได้เงินสูงก็เอาว่ากันไปแต่เราแจกพวกนี้เนี่ยจะได้น้ำใจยิ่งกว่ามหาศาลเลยจะได้อะไรที่ยึดจอดเยี่ยมคุณคิดดูสิคนเขาไม่ค่อยนึกอัตมามองมองเห็นเวลาเขาไปเยี่ยมกันเขาก็จะเอากระเช้าผ ล, ลไม้ ถ้าเพราะว่ามีมีต่พืชมีผักอะไรคนที่เขากินผักกันนิยมผักเขาก็เอาพืชออกผักไปไปไปไปไปไปเยี่ยมไปยามกันไปแจกกันคนสันพวังก็ไปเยี่ยมไปยามก็เอาผลละหมากร่างไม้เอาข้อความพวกนี้ไปแจกไปแ ย, ยมกันเดี๋ยวนี้แม้ไปเยี่ยมเป็นทางการก็ตามทุกวันนี้มันเกิดเป็นไม่ ไม่ก็จะเป็นผลไม้ก็เป็นไอเครื่องกระป๋องไอเครื่องขวดเครื่องอะไรอะไรมั้ยซึ่งมันก็คือผลผลิตของผลไม้นั่นแหละของเก็บไงแต่ผลไม้ก็เห็นว่ามันเด็กเขาเน่าไวเต็มไวเอาไปมา ก, มากๆเพราะเด็กินไม่ทันก็เลยเอาที่พวกพวกที่เขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แปลรูปเขาเรียกไม่ใช่สะสมอะไรเขาเรียกว่านถนอมถนอม การถนอมอาหารก็เอาพวกพวกนี้การไปการถนอมอาหารอาหารถนอมมันก็จากไอ้พวกพวกนี้ไปอ่าไม่เชนั้นเ้าก็เอาเนี่ยมันสวยมันดูดีมันผลไม้สดๆเป็นของโอ้โหมีสีมีสันมีอะไรไปมานั่นน่ะเป็นเรื่องของการผูกน้ําใจเป็นเครื่องของการแสดงถึงความรักกันที่จริงว่ารักอะไร อยากให้คุณกินอยากให้คุณอยู่อยากให้คุณมีกินมีอยู่อินพุตจำนวนแต่แตง่ายๆดีกว่าเอาธนาบัตรไปแจกกันเลยมันลึกกว่ากันมากเลยมันลึกกว่ากันมากบางที่เอาเงินไปแจกเนี่ยยันถือว่าดูถูกกันนะแต่เอาพวกนี้ไปแจกเขาไม่ถือว่าดูถูกกันหรอกพะแจกได้หมดแต่แต่แต่นู่นน่ะชั้นสูงสุดจนกระทั่งชั้นล่างสุดคุณเวลาไปเยี่ยมเยือน คุณถือพันผลไม้คุณกระเช้าผลไม้เนี่ยไปแจกได้แม้กระทั่งใหญ่สุดขนาดนายกรัฐมนตรีรัฐวโดนเข้ามางกระทั่งถึงระดับล่างเลยแต่คุณหอบเงินไปจากแจกนายกทีคุณจะโดนมองตาเขียวก่อนเลยมาอย่างไงวะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่มองตืน้นตื้นมองง่ายๆจะเห็นได้ชัดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เป็นนักเกษตรก ร, กรนักเกษตรกรรมที่จะคลองอันนี้เลยและเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมไม่ต้องห่วงเลยคนก็จะบอกว่าเอาละกา ร, กรเกษตรมันมีทั้งปมงมีมีทั้งปศุสัตว์มีทั้งอะไรแบ่งกันไปไม่แย่งกันเราก็เอาพืชพันธุ์ธันาหารนี่แหละเป็นหลักนะเพราะาเราเลือกดีที่สุดเราไม่ต้องมี ก็ไม่ต้องไม่มีเรื่องบาปเรื่องเผิ่อะไรด้วยไม่มีเรื่องเชื่อกรรมเชื่อเวนอะไรด้วยเรากเอาเพื่อันธญญาหานซึ่งเราชัดเจนตัวอย่างแล้วว่าผีชะนิยามนี่มันไม่มีบาปมีเวนอะไรถ้ายังจิตนิยามนี่มีบาปเวนอันนี้เราก็บุกพูกันพอเราเข้าใจแล้วเราก็ยดยึดหัวหาดก่อนเลยเอาต่อใครยกมือเอาขอโอกาสค่ะเพราะท่าน พอดีแฟนคลับเรียกร้องนะคะให้สรุปเป็นเพลงวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเพลงนะคะโแต่คิดว่าฮอลล์ฟันร่วงเลยเมื่อวานเนี่ยแต่คิดว่าวันนี้เพลงนี้เกือบทุกท่านจะร้องได้นะคะแล้วก็ช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสมีการต้องเพลงสลับฉากด้วยนะ กลับบ้านเถิดลูกพ่อปลูกอาศกเพื่อเจ้า oh. ช่วยหน่อยค่ะ oh, so เห็นอยู่ในมูเราก็ในเจ้าวาง จะเฉยแช่เชื่อนได้อย่างไรรู้ภาครู้เพียงใช่ไหมเจ้าบ้านเรายัางรับคนใหม่ๆพ่อปลูกอโศกไว้ามากมายเพื่อคนทั้งหลาย ้ร่มเย็นอยากเห็นลูกอยู่บ้านด้วยความเ บ, บิกบานลอยเด่น <c oughs> เพื่อช่วยผู้ยังลำเข็อยู่เป็นมิ่งความกำลังใจ บ้านเถิดลูกเจ้ารู้ผิดรู้ถูกใช่ไหมอยู่เป็น <laughs> อ่าโอเคนะคะขอบคุณค <laughs> ่ะเพลงปราบเซียน <laughs> ถ้าเป็นนักดนตรีเล่นด้วยเนี่กยยนน้ก็งมหญ่เลยนะมันออกเข้าออกขีในาอิ่ดีวะเนี่ยเพลงปราบเสียนเอาใคายต่อขอโอกาสพระท่านครับก็เนื่องจากพรท่านพูดถึงขยะนะครับผมผลเหินครับก็มีความสนใจค่อนข้างมากมุมไหนมุมนี้ครับ อ้างนี้ครับอา้าวเรียนอยู่ครับครับครับอ้าวเเลยเลยครับเนื่องจากพอท่านพูดถึงขยะหลายครั้งโดยส่วนตัวก็รู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้แต่โดยโดยโด ย, โดยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่อยากจะสนใจถ้าจัดกําหนดเป็นวิชาวิชาหนึ่งในในวิชาการศึกษาได้ดีไหมครับท่านครับการครับ มันก็น่าจะดีอาตมาก็ยังเกรงใจตนเองอยู่ว่าจะมีความรู้ความสามารถที่จะมาร่างหลักสูตรตัวเองเรื่องขยะวิทยานี่หรือไม่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกล้าหารเท่าไหร่ที่จะทำพูดได้มันก็เคยมั่วๆแล้วก็มันยังไม่เป็นระบบแต่รู้ว่ามันโอ้โหมันจะต้องมีเยอะหลายเรื่องหลายอย่างหลายอันเลย ผู้ที่ทำมาแล้วนี่น่าจะได้มาช่วยได้ว่ามันจะยังไงมันจะเอายังไงเก็บยังไงรับยังไงมันมีนานาสารพัดเลยนะทั้งไปรับไปส่งทั้งไปจัดแจงทั้งไปแยกทั้งไปทำอะไรทั้งแปรรูปทั้งอะไรต่างๆนานาแบ่งจัดหมวดห ม, ดมดู่ีทอเตมาพูดไปมันจะต้องมีหนึ่งอเอามาใช้ซ้านะ reuse มาใช้ซ้า ได้มาแล้วก็มาใช้ซ่อมได้ของพวกนี้เนี่ยเขาทิ้งบางอันก็ยังไม่แกะกล่องเลยเขาให้มาตกรุกยุดรุ่นตกอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นเอามาใช้ซ่อมนะแล้วก็เอามาซ่อมแซมนะรีเพล์มาซ่อมแซมหลายอย่างกันเล็กๆน้อยๆเสียด้วยว่าพาซอซ่อมได้ก็ซ่อมอนอกจากซ่อมไม่ได้แล้วก็ถึงจะมาะรีไซเคิล เอามาแปลตัวปรับตัวไปให้มันเป็นอะไรต่ไรไปเหมือนสมเสธทำแปรรูปทำนุ่ น, ทำ น, นทำนี่อะไรไปรีไซเคิลจะบหลากล้ายมากรีไซเคิลเนี่ยจะต้องถึงขั้นน e ารีไซเคิลเนี่ยมันจะต้องถึงขั้นมีโรงงานจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์จะต้องรู้จักวิธีการจะแปรรูปต่างๆอะไรต่างๆนะครับีรีไซเคิลนี่จะกว้างมากเลยและทุน e j e c t เพฉนั้นเราจะได้กลับคืนมาส่วนที่จะทิ้งรีเจ็คสุดท้ายมันไม่มีอะไรแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยแล้วด้วยต้องทิ้งเราก็จะได้ส่วนที่สุดท้ายจริงๆมันจะทิ้งมันก็จะมีไม่มากไม่มาเท่าไหร่ส่วนที่มันจะต้องกลับคืนมาใช้งานมันจะต้องมุนเวียนอยู่ในนี้ได้จะเยอะเลยก็เท่านี้ที่อาตมาพอร่างโครงร่างอะไรอะไรไว้นอกนั้นก็ไปขยายนะ ไอ้ข้อสุดท้ายรีจ็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็หาที่ทิ้งอย่างเหมาะสมบางอย่างเป็นพิษเป็นภัยส่วนรีไซเคิลนี่จะมีมากตรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้องเรียนอะไรต่างๆนานาต้องเรียนเครื่องกลเครื่องโรงงานอะไรต่างๆนานาเรื่องแปรรูปเรื่องอะไรต่างๆด้วยปรับปรุงแม้แต่ศิลปะก็อยู่ในเรื่องเออรีไซเคิลทั้งนั้นเลยจะมาตกมาแต่งมาทาอะไรๆไอ้คาว่าแปรรูปอย่างเดียวนี้มันมโหมหาศาลเลยนะที่จะ ทำอะไรต่างๆนานาสารพัดงานของงานที่จะต้องรู้จักเอาไปแปลรูปจากวัตถุดิบ ต, ต่างๆพวกนี้มากหรือแม้แต่ร e p พ i r ซ่อมแซมก็ต้องมีความชำนาญมีความรู้ในการซ่อมซ่อ ม, มอันนั้นซ่อมอ น, นี้ซ่อมโน้นสารพัดซ่อมอ่ะมันจะมีทั้งเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรต่าง ๆ, ๆนานามีทั้งอุตสาหกรรม ต่างๆหรือว่าไอเป็นเศษส่วนไอนั้นอนี้อะไรต่างๆนา น, นาที่จะต้องซ่อมต้องแซมต้องอะไรต้องก็ต้องมีความรู้ต้องมีการศึกษามีต้องการเรียนเพื่อที่จะออกไปเป็นนักซ่อมในตัวด้วยอะไรพวกนี้นส่วนเรยุสไม่มีปัญหามากเท่าไหร่ไอสิมดิชัยซามันมันมีอะไระอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะ แจกหลักสูตรยังไงเพราะมันมีซ้อนอยู่ข้างในนั่นในรายละเอียดเพราะงั้นลองลดูอัตมาพูดนี้ใครจะต้องไปคิดต่อว่าเะไระแยกยัไงทวิชาการพวกนี้ของขยะวิทยาท่าจะมีเรื่องมากวันนี้มันมีทั้งวิธีการที่จะต้องรับต้องส่งต้องเก็บต้องกว่าต้องดูต้องแลต้องแม้แต่ของเป็นพิษเป็นภัยไม่มีพิษไม่มีภัยมีกระทั่งโรงงานแล้วก็มีแต่กระทั่งจะเกาะต้องเชื่อมโยงติดต่อ แม่แต่จะต้องมีหัวทางการค้ามีหัวทางบริหารต้องมีความรู้ทางบริหารทางการคาทั้งเศรษฐกิจอีกยอยู่ในขยะวิทยานี่ทั้งนั้นเลยฟังๆดูยะลองไปคร า, าวใครร่างหลักสูตรเป็นอาตมาร่างหลักสูตรได้ไม่เป็นลองคิดดูคร่าวๆอ้าวกเกินมาก็ขยายความไป ก็ใครจะรับลูกแล้วก็พอเป็นไปอีกก็ค่อยๆต่อกันไปแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซึ่งอาตมาก็ยังมั่นใจว่าในมหาวิชารามของเราเนี่ยมันจะต้องมีคณะนี้แน่นอนในอนาคตนะจะต้องมีคณะนี้จะเป็นคณะสําคัญด้วยและจะมีห้องโรงงานของเราด้วยเหมือนกับเรามีโรงงานของเราต่างๆนานาเป็นการศึกษาของเราจะมีเราเรียกกอะไรเราเรียก ฐานเนี่ยเราต้องมีฐานขยะนของเราแน่นอนที่จะต้องมีโรงงานของฐานขยะมีการศึกษาในฐานขยะเป็นของจริงเลยไม่ใช่ว่าเราศึกษามีแต่ห้องแลกนิดหน่อยไม่ใช่ถ้าจะกลายเป็นเรื่องจริงเลยอ่อต่อครับครับอะสองทุมสิบนาทีไง ท่านตรงนี้ท่านเป็นยามาพระครูครับตรงขอถามยามบอกเวลา ข, ขอถามก่อนครับเอาถามวันพรุ่งนี้ที่จะเรียนนี่พ่อจะสอนจากทางโน้นและถ่ายทอดเฮ้ยสอนเนอพอทางนี้ที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้ทางาทางทางาสตียโศกเนี่ยเขาก็เรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเสียงตามสายดูอยู่กันเยอะครับอทั้งไลน์มาบอกแล้วก็แจ้งมาบอกออ ทีนีความเป็นไปได้ถ้าสอนจากทางโน้นก็อ๋อเรายังนึกว่าเราสบายเ น, นี่นี่ไปที่นั่ไม่ได้สอนทางโน้นอยู่ห้าหวันเพราะว่า <จน S 2> ยังยังไม่ได้ถามเรื่องนี้ก็คิดว่าถ้าเออว่าจะพูดกันเมื่อกีน้นะว่าจะ <หา S 2> ไง<ม>อย่างนี้อาตมาไปทางโน้นก็จะไปจัดการงานการเมื ง, น, งน้น น, นี้ก็ยังไม่ได้ด<ถ><ถ>ูว่างานการจะต้องวิ่งโน้นวิ่งนี่อะไรอะไรต่างๆนานาเพราะว่าไปประชุมที่สันติก็มีที่จะถ่ายทอดได้ถ้าไปที่ปฐมก็ถ่ายทอดได้ทั้งนั้นแหละมันก็ต้องไปงานที่ไปเนี่ยมันเป็นงาน จะต้องไปจัดการไงต้องวิ่งไปทั้งปฐมต้องวิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าหาพ่อไม่สะดวกก็จะได้สังคมอาตมาก็ไม่ไดอาตมาจะต้องสอนมือก็อยู่ที่นี่แล้วก็ถ่ายทอดเอาอย่างที่คุณพวกคุณคิดไว้อาตมาก็ไม่ได้คิดอยู่ที่พ่อกําหนดแล้วกันครับว่าจะยังไงดีอาตมาก็ไม่ได้คิดแต่ที่คุณพูดขึ้นมาก็เอ้ยยังไง ยังไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์นะวันเสาร์เนี่ยบ่ายสี่โมงห้าสบห้าก็อ้อนี่เข้าบ่ายสี่โมงเข้าเข้าไปวันเสาร์จะเย็นนะไอ้เอย็นประชุมบอประชุ ม, ชมหยะมีนี่ประชุมวันประชุมอของชุมชนวันเสาร์ก็ประชุมชุมชน นีวันศุ์ประชุมจุแล้ ว, วันอาทิตย์นี่ก็วันอาทิตย์จะมีวิธีอารยธรรมมาทม า, าจะเทศอยู่แล้ววันอาทิตย์น่ะไปที่โนบนวทิตย์9้ามงก็เทศอยู่9ก้าโมงบ่ายโมงไปเขาก็ประชุมแ8ดองค์กรกันวันอาทิตย์วันที่28ก็ไปปฐมโศกน่ปฐมโศกก็ประปชุมทปรปฐมโศกส่วนวันที่ยี่เาสมนี่ก็ยังไม่ได้มีอะไร ไปแต่แน่นอนไปถึงแล้วก็เดี๋ยวมาเองคิวตามมาเองไอ้ที่มันมีประจําอยู่แล้วกันนี้ไอ้นอกนั้นพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆไล่มาเดือนๆหนึ่งมันก็ยิ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะเห็นอาตมาเป็นยังไงไม่รู้เห็นว่าอาตมาจะทําอะไรก็ได้เยอะแยะอาตมาจะเป็นผู้บันดาลบรรลอะไรก็ไม่รู้ จะให้อัตมามารับรู้รับช่วยอะไรได้อยู่เรื่อยแมอัตมาก็ไ อ, เ, อเราเป็นใครแต่มันจะเก่งขนาดนั้นท่านสุเทพบวชเป็นพระแล้วก็เลยพระต้องตกทางนี้อพระก็ต้องมาทางเทางเราอีกทั้งนั้นถ้าดูตามวันเวลานี่วันเสาร์นี่ก็น่าจะให้พ่อพักแล้วพวกเราก็มาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วิถีอริยธรรม ที่จะถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตมาอ่าววันครับตั้เาโมงถึงเอมงอ่าเก้ามงถึงอเพราะวันเสาร์นึงพวกเราก็จะมีเรียนของอาจารย์อภิสินตอน9โมงอยู่แล้วและตอนเช้าเนี่ยต้องมงมาทำวัดอ่าส่วนวันจันทร์ก็ไปที่ปฐมโศกก็เทศที่วันจันทร์อยู่แล้วอ่าก็ฟังเสริมได้ครับเขาก็ถ่ายอยู่ก็ทอดก็ฟังเสริมที่ปฐมโศเป็นวันที่28เป็นวันจันทร์อ่าก็ วันอาทิตย์ก็มีวันอาทิตย์ก็มีเก้าโมงช้าวิถีอริยธรรมเย็นก็หยุดอครับวันจันทร์ค่อยตามที่ปฐมประสงคเป็นวันหยุดแต่ว่าฟังที่ปฐมประสค์ใครจะมาฟังก็ได้แต่จะถ่ายทอดจะถ่ายทอดทางมีอัตมาก็ต้องไปประชุมที่โนนอยู่แล้วแล้วก็ต้องเทศทั้งอะไรแล้ววันจันทร์ส่วังคารพูดประหัสนั้นอังคารพูดประหัสไม่นยังไม่ได้มีนัดอะไรไว้ข้อกําหนดมาอีกครั้งแล้วกันอ สวัสวันที่ยิบเก้ามันอังคารครับยี่สบเก้าสามสิบสามสบเอดอวันอังคารก็ก็ทั้งนั้นก็ของวองรสก็ขอพักของงดได้ไหมครับของพ่อของพ่อเขาหยุดอี่ิก็จะทำสวัสอยู่แล้วก็ทำบุญเมืกีจวันสวัสกี่วันครับกี่วันสามวันครับอ้าวกระจมทะงั้นยี่0 3บเก้าสาสิบสาสิบเอ็ดครับก็ครบพอดี ก็ตกลงว่าเป็นวันเสาร์นี่งดนะวันอาทิตย์ก็9ก้าโมงเ้าโมงถึง1ิบเอ็ดโมงแล้วก็เย็นก็งดวันจันทร์ก็ฟังที่ปฐมประสงค์ตอนเย็นออกประกาศหลังจากนั้นก็เป็นสวัส์ก็งดตอนเย็นสามสิบเอ็ดนะตรงกันครับอตกลงกันเรียบร้อยอัตมาก็เกือบลืมเรื่องนี้ว่าจะตกลงกันอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันก็ไม่นี่ได้ตกลงกันแล้วเรียบร้อยกันดีแล้ว อ้าหมดเวลาแล้วจริงๆเด้ออีกหนึ่งนาทีก็สองทุ่มสิบนาทีนะเราเรียนอย่างนี้ใครรู้สึกบั้งไหมเรียนอย่างเงี้ยรู้สึกมั้งว่าเอเอาเรียนเรียนอย่างนี้เนี่ยมันได้อะไรแล้วได้อะไรของความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยอาตมาว่าน่าจะรู้สึกกันนะมันได้อะไรทีนี้ส่วนใครจะมองว่า เออนี่มันโอ้โหวิเศษเออมันก็ดีนะนี่แปลกๆดีเอออันนี้อย่างน้อยมันก็เป็นสาระดีเหมือนกันแหละอัตมาคิดว่างั้นนะว่าน่าจะรู้สึกรู้สึกเงี้ยหรือว่าใครมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็ดีก็อยู่เปล่ปาๆนะดีก็อยู่เปล่ปาๆหรือใครเห็นว่าเสียเวลานีอ่อันนี้ตีทิ้งเลย ไม่เห็นในเรื่องอะไรเสียเวลาเสียเวลาร ะ, ะดับที่หนึ่งสองอดีก็อยู่เปล่าเปล่าสามเออก็ดีเหมือนกันนะมีสลักอันหนึ่งก็เออก็เข้าทาอันสุดท้ายในยโอโหเอ็กซ์แลน <c oughs> รู้สึกอะไรยังไงนะเอาเอาละก็ว่าไปบอกไปพูดไปก็มือก็ยกตัวยกตนนะั่นเนาะ อ่สลหรับวันนี้ก็ขอจบก็เพียงเท่านี้สำหรับรายงการศึกษาข่าบนี้จเจริญธรรม ท, ทุกคนสัขภากร์าวันนี้เงียบจ้ะไม่มีใครส่งเสียงเลยนะเอาเวลาหมดนา นึ่ง nah,